ให้เราร่วมใจกันในงานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระางฆรองในค่ำคืนวันนี้ข้าพงศ์หลายอยู่พร้อมหน้าพ้อมใากันในการที่จะนมัสการพระองค์สัรเสริญพระองค์ยกจิตใจของท้าหลายถวายแด่พระองค์ข่าแต่พระเจ้าขอพยัญบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเจอข้าพงศงหลายและทรงเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางท้าทงหลายเพื่อที่จะให้โระเจานำของพระองค์ได้ซึมซับเข้าไปด้วยสีสันตรี ท่าั้งหลายจะทราบซึ้งในพระราชกิจของพระองค์พระคุณความรักความรอดของพระองค์ขอมอบแ้วต่อไปนี้ววาอยู่ภายใต้าการทรงนำของพระองค์ราบทูนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามเมนครับเดี๋ยววันนี้นจะมี Teaching a s s i s t a n นนะครับแเรียนปริญญาโทรที่จุลานะครับดนตรีนะครับรนีนบนนเขาจะมาอธิบายเกี่ยวเรื่องการวางวงออเคสตรานะครับ โมเฮสระโอเคครับ เ, เมื่อวานนี้นะครับเราอยู่ในหน้านะครับขอโทษไม่มีหน้าแต่ว่าอยู่ในตัวเลขเพลงที่แปดนะครับเพลงที่แปดครับผมขออนุญาตพบควนนิดหน่อยนะครับซรอบคัวนิดหน่อยตั้งแต่เพลงที่หนึ่งจนถึงเพลงที่เจ็ดนะครับพี่น้องรีบกลับไปนะครับเพลงที่หนึ่งเพลงที่เจ็ดนั้น เอาความรู้กันกั้ดนตรีก่อนครับโอเวอร์เจอร์แปลว่าอะไรครับ oh. การเปิดนะครับ <S 2> <S 2> <S ซิมโฟนีมันจะคำว่าซิมโฟเนียแปลว่าอะไรครับ <Okay. S 1> แปลว่าเดือดเซนซาวนะครับเซนซาวนะครับรีไซเคแปลว่า yeah. Yeah. แปลว่าการบรรยายนะครับ yeah. Yeah. พี่น้องรู้จักรีไซเคิลไหมครับรีไซเคิลเปี่ยนนวลรีไซเคิลแวร์รีไซเคิลนะครับแปลว่าอะไรครับ เบีนโนเนี่ยนะครับเขาสามารถบรรยายนายบางอย่างได้เบียโนสามารถเล่าเรื่องในบางอย่างได้เสียงทุกเสียงนะครับมันมีความหมายทั้งสิ้นนะครับจำได้ไหมเนี่ยเราก็มีควาสกว่ากระทึกษษกระโโตกินไครับมันมีความหมายเลยนะครับเสียงทุกเสียงมีความหมายนะครับอมีความหมายไหมครับกรี๊ดมีไหมครับกรี๊ดมีครับล็อกวีลล็อกวี มีความหมายไหมครับมีเห็นครับเสียงทุกเสียงมีความหมายเัระนัครับเสียงทุกเสียงมีความหมายนะครับเมื่อมีความหมายนะครับดนตรีนี่นะครับก็มีความหมายเหมือนกันเสียงสูงเสียงต่งเสียงขึ้นนะครับเสียงลงเสียงดังเสียงค่อยเห็นั้มครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราฟังเพลง ช้าจังหวะเป็นไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือมันจะสูเศร้านิดหน่อยนะไมเนอร์ minor นะครับยังกรณีเช่นเพลงที่สองสามสี่นะครับเพลงที่สองสามสี่นะครับในองค์ที่หนึ่งนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือขณะที่โซเดลเนี่ยเขากําลังนะครับอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนะครับกําลังจะถูกปีนะครับแตกนะ อิสยาห์ซึ่งเป็นผู้พยายกรของพระเจ้าก็บอกว่า comfort ye my people s e t t l o r d ก็คืออะไรครับจงเล่าลมจงเล่าลมประชากรของเราพระเจ้าตรัส ด, ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทของประเทศชาติด่างๆเขาเนี่ยที่กำลังจะล่มสลายนยนะพระเจ้าได้ให้ความหวังให้กับประชากรของพระองค์และบอกว่าจงเล่าลมถดเถดิดจงเล่าลมเถดิดนะครับพอมาถึงพีสี่ ก็พูดถึงว่า the glory of the Lord แปลว่าอะไรครับพัสรุขององค์พูะเป็นเจ้าจะถูกสําเดงออกมาเมื่อวานนี้ผมใช้คำว่ารีวิวจำไหมครับพี่น้องรีวิวนี้เป็นศัพท์ของอะไรครับเป็นศัพท์ศาสนศาสตร์ที่ใช้เฉพาะใช้เฉพาะอะไรครับพระเจ้านะครับเปิดเผยสัาเดงให้กับมนุษย์เท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับเราไม่สามารถใช้คาว่ารีวิวนะครับกับ คนได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญและก็เราจะมองในแง่ของ theological perspective ก็คือมุมมองทางศาสนานะครับจาก biblical perspective ก็คือพี่น้องก่อนที่ผมจงเน้นนะผมจะอธิบายเรื่อง2เรื่องที่สําคัญเวลาเรียนศาสนานะครับก็มี biblical theology ก็คือศาสนาในเชิงของพระคัมภีรก็จะเปิดพระคัมภีร์และอธิบายศาสนา นะครับมีดศาสนาหนึ่งครับอีกแนวหนึ่งก็คือ systematic Theology ก็คืออะไรครับก็คือเรีย น, นศาสนาเนี่ยเป็นระบบมันไม่เหมือนกันนะครับเปิดท่อนีนะครับแล้วเข้าหาศาสนาอันนี้เป็น Biical Theology วันนี้เนี่ยเราจะเป็นริบิโคเ o โลจีก็คือว่าเราเปิดท่อทีแล้วจะเข้าหาศาสนาสตในในอีกแนวนึงนะครับก็คือเรียนเป็นระบบเลยครับยกอย่างเช่นเรียนระบบเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า เขาก็จะพูดถึงเรื่องเจ้าพระเจ้าอย่างเดียวก็เอาพระคัมภีร์นะครับทั้งหมดตั้งแต่ธรมการถึงวิวรเนี่ยนะครับมารวบรวมให้เป็นเรื่องของพระเจ้าอย่างเดียวเรียนเรื่องพระเจ้าอย่างเดียวเรียนเรื่องความรอดเรียนเรื่องพระเยซูเรียนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตอนนี้เนี่ยโบสเรานะครับก็จะมีสอนว่ามีอางบริสุทธิ์วันเสาร์ ใช่ไหมฮะตอนสบเียเรียนเป็นระบบบางทีพูดถึงเรื่องพุ่งยันริสุดยังไงนะตั้งแต่รมการเรียนด้วยมาแบบวีวอนล้วก็เห็นภาพวงของพุ่งยันริสุดเรียกว่าเรียนเป็นระบบนะครับ systematic theology นะครับทีนี้กลับมาดูนะครับในเพลงที่1ถึงสี่เนี่ยคอมฟตก็คือเป็นเศร้านะครับในเพลงที่สี่ครเาร้องเป็นัเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบทเพลงเริ่ม เปลี่ยนครับเริ่มเร็วขึ้นนิดหน่อยเร็วขึ้นหน่อยเริ่มมีความหวังขึ้นนะครับพอมาถึงเพลงที่5พวกนะครับถึงเพลงที่7ดซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ฟังไปแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องการพิพากษานะครับแล้วการพิพากษาผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าพระเจ้าใช้อะไราพิพากษาครับใช้ไฟนะครับไฟมีความหมายถึงการที่ทำอะไรครับชาระนะครับที่แรกออกจากทองหรือเงินนะครับที่ปนมา เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บอกว่าใครจะทนได้ในวันที่พระองค์จากเสด็จมาเห็น ไ, ไหมครับนั่นคือการพิพากษาครับ Judgment นี่เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับพี่น้องมาราคีเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับชื่อของเขาแปลว่า My Messenger ก็คือเป็นกู้สื่อสารของพระเจ้าเลยพระเจ้าเรียกมาราคีนะครับว่าเป็น My Messenger จอรทำแปลภาษาอีหรูเป็นภาษาไทยนะครับ โอเคครับวันนี้เราเข้าสู่ฉากที่สองนะครับฉากที่สองเนี่ยครับผมจะเปิดเพลงให้ให้พี่น้องฟังนะแต่ก่อนที่จะเปิดเพลงให้พี่น้องฟังเนี่ยครับเรามาดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าฉากที่สองเนี่ยเป็นยังไงบ้างฉากที่สองนี้เริ่มต้นด้วยเพลงที่แปดครับเพลงที่แดก็เอาทโทนิไซเสถีรนะครับเอาทโทนิไซเสถีเนี่ยก็คือใครร้องครับเสียงผู้หญิง s o f ฟโน a ั t โธเทนเนอร SATB นะครับอ so ก็คือเสียงที่2เป็นเสียงต่ำของผู้หญิงนะครับแล้วก็ร้องในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่ 7: ข้อ14ซึ่งสอดคล้องกับมัทธิบทที่1ข้อที่นะครับที่นี่บอกว่าอะไรครับที่นี่บอกว่าดูเถอิดอะไรครับดูเถิดสาวหญิงสาวปรมารีคนหนึ่งจะตั้งทันและค้อดุจชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนาะมของท่านว่ายิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตกับเรา คำว่าเบอร์จินนะครับหญิงสาวปฐมฌารีคนหนึ่งเนี่ยคัมภีร์ตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าในภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาเดิมที่เขียนในคัมภีร์ครับใช้คําว่าเอลมาพี่น้องรู้จักฝรั่งชื่อเอลมาไหมผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยชื่ออาจารย์เอลมาอาจารย์เอลมานี่เป็นหญิงสาวนะครับโสดไม่แต่งงานนะครับท่านอยู่เมืองไทยจนถึงอายุหกส้าก็ยังเป็นหญิงสาวโสดไม่ได้แต่งงานเอลมา ทำให้เห็นนึกถึงภาพของท่านเพราะ่าท่านที่ตัวใหญ่ๆนะครับนะตัวใหญ่น้ําหนักมากนะฮะแล้วก็เรียกอาจารย์เดียวมากนึถึงเองฮะพอเวลาเรียนภาษาฮีบรูทาว่าเดียวมากแปลว่าหญิงสาวนึกถึงโอ้ท่านเป็นหญิงสาวเลนะนะหญิงคมจารีไม่ได้แต่งงานทีนี้นะครับพี่น้องสังเกตดูเมื่อกี้ในผมพูดเนี่ย ส, สักมาจากซ้ำกันคือหญิงสาวกับหญิงคมจารีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากว่าเราบอกว่า นางมารีนะครับนะครับแสดงว่านางมารีเป็นหญิงสาวไหม<ว>เราเรียกนางมารีเป็นหญิงสาวนะครับไ ม, ไม่ใช่ครับต้องเรียกนางสาวมารีถูกไหมครับเพ ร, ะะรเพราะว่าอะารโค้นางนี่ถือว่ามีสามีแล้วแล้วบอกว่าเอลมาเนะ่ยฮะแปลว่าอะไรแปลว่านางสาวมามามามารีนะครับพี่น้องอย่าไปเอายุคใหม่นะครับคือ คือเราจะเห็นว่าคนแต่งงานแล้วก็ยังใช้คําว่านางสาวได้นะแต่เราเอาอยุคเก่านะนางสาวคือคนที่ไม่แต่งงานเพราะฉะนั้นเพิ่งมีว่าดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันกับคําว่าดูเถิดหญิงสาวโควาจารีคนหนึ่งจะตั้งคันตางกันไหนมครับตางกันเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่า A Virgin ก็คือหญิงโควาจารีชาว ค, ค, คอนซิลนะครับก็คืออะไรครับแปลว่า หมายถึงนางสาวมารียซึ่งเป็นคู่มั่นของโยเซฟซึ่งเธอเป็นหญิงปรมจรียังไม่เคยแต่งงานมาก่อนอันนี้คือระบุเฉพาะจดจงมีอยู่คนเดียวเท่านั้นและเมื่อระบุเฉพาะจดจมปุ๊บเนี่ยจะเล่งถึงใครครับเล่งถึงใครครับเล่งถึงพระเยซูเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้มพีตอนนี้นะครับจึงเป็นทั้มพีที่มีปัญหาเหล่า น, นี้ทำไมมีปัญหาครับคนยิวเนี่ยอ่านเนี่ยครับเนื่องจากคนยิวไม่เชื่อพระเยซู ไม่เช so, ื่อพระเยซูว่าพระเยซูบังเกิดจากหญิงปรมจารีเพราะฉะนั้นคนยิวจึงเป็นปัญหาอุวสรรของพระกัมพีอิสยาบทที่7ข้อินะครับเพราะเขาไม่เชื่อว่าเป็นหญิงปรมารีเขาเชื่อว่าเป็นแค่หญิงสาว y อ u ย g woman ไม่ใช่ A virgin การแปล A virgin นะครับแปลโดยใครครับพิสเตียนเู็ไหมครับเขาก็แปลว่า A Virgin ิ ตั้งแต่สมัยของทิงเจมส์ะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงทิงเจมส์ะครับพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราเรียนเรื่องกีหมายโภคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงไหนที่มีปัญหาที่น้องจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับมีครั้งหนึ่งครับเอ็มมานูเอลเอลแปลว่าอะไรครับพระเจ้าเอ็มมานูอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา ซึ่งอยู่ในพระธรรมเดียวกันนะครับอิสยาห์บทที่7จ็ข้อสิและตรงกันกันกบมัทธิวบทที่1ข้อ23ความเชื่อของเรานะครับวางอยู่ในหลังของขัีทั้งโอเทสเมนและ New Testament. กันยูเทสเมนขั้นพีเดิมนะครับฉายแสงมาถึงใครครับฉายแสงมาถึงพระเยซูซึ่งเป็นศูนย์กลางของขั้นพีทั้งเร่อและพระเยซูเองก็เป็นศูนย์กลางของขั้นพีใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออิสยาห์ที่7จข้อสิเนี่ยพยากรถึงพระเยซูกับมัทธิว แมทธิวก็บันทึกถึงใครครับบันทึกถึงพระเยซูซึ่งบังเกิดจากหญิพงโภมาจารีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงตรงกันเพราะฉะนั้นคนยิวนะครับคนยิวไม่เชื่อข้อพิมพ์ใหม่เขาจึงไม่เชื่อเรื่องมารีนะครับและก็คนซีฟนะครับคือการปฏิสนด้วยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของมารีซึ่งถือกําเนิดเป็นพระเยซูต่อมานะครับพี่น้องต้องจับประเด็นที่ถูกนะครับเบอร์จิ้นตัวนี้เดลมาแล้วก็กอร์วินัส คำว่ากอนวิตัสนี่นะครับเป็นเรื่องราวที่ถ้าพี่น้องดูถอยกลับไปนะครับในเพลงที่ในเพลงที่ห้านะครับพี่น้องจะเห็นว่าในเพลงที่ห้าเนี่ยนะครับเขากำลังพูดถึงอะไรในเพลงที่ห้าเพื่อี่อ่านว่านี้บอกว่าอีกหน่อยหนึ่งเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขยา่าประชาชาติทั้งสิ้น เพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาิทั้งสิ้นจะเข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีนะครับและในเพลงเดียวกันนะครับเพลงเดียวกันในมาพีบทที่สข้อ1 น, นะครับสุดท้ายเลยนะครับที่น้องดูประโยชน์สุดท้ายนะครับผมอยากให้ฟังภาษาไทยนะครับพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารขององค์อย่างกระทันหัน พูดแห่งพันธัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วแปลว่าอะไรครับท่านกำลังมาสธิตอยู่กับประชากรของพระองค์ซึ่งมีความหมายว่าเอ็มมานนเอลเห็นไหมครับมันมีมันมีแนวคิดนะครับมันมีนศาสนาที่ต่อเนื่องกันนะครับในมาราทีนะครับเจนเนพี่น้องจำเจนเนสได้ครับ ชาวเจนเนนใครครับคนที่เอาเนื้อเอาเนื้อเพลงซึ่งเป็นค้องคิดล้วนๆเลยนะครับมาให้ใครมาให้แฮนเดลแฮนเดลใช้เวลา21วันในการประพันธ์เพลงไม่ได้ออกจากห้องเลยจำได้ั้ยครับเนะเขาเนี่ยมีแนวความคิดเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่าถ้ า, าพี่น้องติดตามแนวคิดของเจนเนนใต้นะครับพี่น้องจะทราบซึ้งเพลงเนสายาได้ อะไรครับมาลาทีบที่3ข1ข้อพูดว่าพระเจ้ากำลังเสด็จมาเออิสยาห์ที่7ข้อ14บอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเสด็จมาอยู่ประชากรของโลกเห็นไหมครับนะฮะโอเคครับต่อไปนะครับเพลงที่9ครับ <c oughs> เพลงที่เก้าโคดในพระธรรอิสยาห์ที่40ข้อที่9ที่น้องจำได้ไครับหลักขององค์หนึ่งพักวันภาควันของ เมสส ย, ยาห์คัมภีรของเมสสยาหใช้พระองพีอะไรเป็นฐานครับอิสยาหบทที่สี่สิบนะครับอิสยาหบทที่สี่สิบเนี่ยเมยสสยาหนะครับใช้พระองพีอิสยาบทที่40เป็นฐานเมื่อเป็นฐานอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเป็นฐานอะไรเกิดขึ้นเขาเขียโค้ดนะครับอิสยาบทที่สี่สิบข้อที่หนึ่งอิสยาหบทที่สี่สิบข้อที่สองนะครับจนกระทั่งถึงข้อนี้ครับข้อที่9้าครับ นะครับข้อท <c ười> ี uh. ่เก้ายพูดว่ายังไงพี่น้องลองลองเปิดดูนะครับอิสยาบทที่40ข้อที่9โคซิโยนเอ๋อผู้นําข่าวดีเจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูงโอผู้นําข่าวดีมายังเดียวเสเอ๋อจงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยตึงกาลัง จงเปล่งเสีเออยงเถิดจากกลัวเลยจงกล่าวแก่หัวเมืองแห่งยูดาว่าดูเถิดนี่พระเจ้าของเจ้านี่คือสี่สิบขอเ้านะครับจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพิ่มพีสองข้อนี้นะครับร้องด้วยเอาโทและก็ปิดนะครับด้วยคอรัสนะร้องด้วยเอาโทรครับแอนแปลว่าอะไรครับพี่น้องแอนแปลว่าโซโลนะครับ A I R ห e, รือ A R E นะครับแปลว่าโซโล่ น, น, นะครับสองข้อนี้นะครับศัพท์สนทนาอยู่ที่ไหนศัพท์สนทนอยู่ที่คำว่า Good tidings Good tidings แปล ว, ว่าอะไรครับคำว่า tidings นะครับแปลว่า recent news ก็คือข่าวล่ามาเร็วนะครับข่าวล่ามาเร็วเป็นภาษาโบราณ tidings นะครับ Good Tidings คือข่าวล่ามาเร็วที่ดีนะครับสำหรับพวกท่านตรงกันตรงกับความหมายคำ ว, ว่า gospel gospel แปลว่าข่าวประเสริฐ gospel นแปลว่าข่าปวาประเสริฐ ที่ผมเขียนนี่คเป็นภาษากรีกนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งภาษากรีกหรอกอไปวัดตอนกัางคือได้อยูแบบว่าดี <c oughs> ครับอยู you, นะครับแต่ว่าดียู you, นะแล้วมีน้องเห็น <c oughs> เห็นลากตรงนี้ัหมครับคาว่า Angel Angel นนี่แปลว่าทูตสวรรค์ใช่ไหมครับทูตสวรรค์มีหน้าที่อะไรครับ ประกาศเอ็นเจลเรียกนะครับผู้สวรรค์เนี่ยก็คือ Messenger เมสเซนเจอร์เองลากศัพด์ของเขาเนี่ยแปลว่าเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์แปลว่าอะไรครับผู้นาข่าวสาร UN แก็แปลว่าผู้นาข่าวสารที่ดีหรือข่าวที่ดีเอ็นเจลนะครับเพรา ะ, ะนั้นเวลาที่เราอ่าน Angel ลลนะครับหรือ u ูแองก็แปลว่าข่าวดี Angelos แปลว่าทูตสวรรค์นะครับ os, แองเก s อสแปลว่ a เมสเซจาราคา b แปล e ่ s เมสเซจมาราคาเป็นภาษานะครับอีดูแองเกลอเป็นภาษากรีกนะครับเป็นบอกว่าข่าวก็เซิ์ภาษากรีกว่าอะไรครับ you angelion angelion แปลว่าข่าวดี good news นะครับนี่คือ good h i d i n g good news นะครับที่ตรงกับคาว่า gospel gospel ทีนี้กอสเปลสองครับอ่ากอสเปลสองน้องปรางกอ s เปลสอง s p e l ปลสองนะครั บ, ร, บ, uh, นน ร, บรากของมันมาจากที่ไหนอันน้องปรางแล้วได้ไหมช่วยหน่อยกอสเปลสองนี่นะครับออริจินัลมันเนี่ยก็คือมาจากพวกผิวสีนะผิวสีครับผิวผิวด่าง น, นันเอนะครับ ผิวสีเนี่ยครับเขาก็จะมีวิธีการออกเสียงวิธีการร้องนะครับแล้วก็เนื้อเพลงต่างๆซึ่งอะไรครับเวลาเศร้าก็เศร้ามากๆเลยนะครับดาวมากๆเลยเวลาที่อะไรครับมีความสุขก็หูกระโดดโลดเต้นอันนี้คือคอสโตโซนอสโตโซนับเพลงฮิมนะครับไม่เหมือนกันนะครับในสมัยพวกเราอายุน้อยๆเนี่ครับอสโตโซมีดังมากเลยและเขาก็สามารถที่จะมีเพลงเนียเยอะแยะออกมานะฮะ นะอย่างอะไรครับเพลงอะไรนะกอด f o r g e my s i n in Jesus name เจ๊ไหม <I am. S 1> และพี่น้องถ้าเกิดว่าใครเคยล้องเพลงนี้มาก่อนนะจะมีความรู้สึกว่าเริ่มอินนะครับเริ่มอินเพราะฉะนั้นนี่คือคอสเพลย์สองสเพลสนี่มัน ค, นค่อนข้างจะนาไปอีโมชั่นแลค่อนข้างเยอะนะครับให้เกิดความรู้สึกค่อนข้างเยอะอ s t พลย์แปลว่าข่าวประเสริฐเขาใช้ในเวลาที่ประกาศข่าวประเสริฐ น, น, นะครับนักเทศแบกทิสนะครับอันนี้เป็นความรู้อรอบตัวนักเทศแบกทิสเนี่ยเขาจะมี นหรือเอกันลักอย่างนี้เขคือว่าทุกครั้งที่เขาเทศจบ น, นะเขาจะต้องเรียกเรียกภาษา ก, กีนเรียกว่า calling นะครับสักเต็งนะครับก็เรียกเอาทา call เอาทา calling ก็คือว่าเอาท่าแปลว่าอะไรครับแท่นบูชาครับเอาทา call ก็คือเลยนำคนเนี่ยเดินออกมาครับ นำคนยกมือก่อนนะครับแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เรียกว่าเอาชักคอทุกๆครั้งที่นักเทศแบกบเทศเนีเขาจะจบการเทศเนี่ยเขาจะต้องมีเอาชักคอนะครับก็คือต้องเรียกมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเราไปที่โบสถ์ไหนนตะ่างประเทศเนี่ยถ้ามีเอาชักคอนะคนค น, ค น, ค, นคนนักเทศส่วนใหญ่เนี่ยจบมาจากแบกเทศหมดหรือเดิมนี่เคยเป็นแบกเทศนะครับเอาละครับพอมาถึงเพลงที่10ครับ ก็เป็นเบสลิชชั่นเชียทีฟนะครับลิชชั่นเชียทีฟแปลว่าเพลงขั้นหรือใช้บรรยายเพื่อให้เกิดอารมณนะครับจากอิสยาบทที่60ข้อหนึ่งนะครับท่านพี่น้องมีพระคมัมภีร์ลองเปิดอ่านดูครับ <c oughs> อิสยาบทที่60ข้อที่หนึ่งจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าพอมาข้อที่สองพี่น้องดูมูดของมูดนะครับอารมณ์ของพระสงฆทีตอนนี้คืออะไรครับความมืดเพราะว่าดูเถิด for behold darkness shall cover the earth for behold darkness shall cover the earth เม่อช่เดี๋ยวพี่น้องฟังเพลงนะครับพี่น้องจะเห็นเลยว่ามันพริก อารมณ์มันชิฟต์เขาเรียกมันชิฟต์นะครับมันชิฟต์อารมณ์ตั้งแต่ว่าไวซ์ช็อนะครับอาราส์อาราส์อาราส์นะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้อย่างอาราส์อาราส์ลนกะ็ลุกขึ้นลูกขึ้นนะครับใช้แสงใช้แสงเดี๋ยว g i n g of the lord is rising is risen upon thee ก็คือพระสิริของพระเจ้าเนี่ยมาเหนือเจ้าแล้วแต่มันชิฟต์ออกมาดูอะไรครับดูว่าความมืดปกคลุมแผ่นดินความมืดทึบคุมชนชาติทั้งหลายนะครับ มูดมันจะต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องสังเกตดูนะครับแฮนเดิลนี่ยครับฉันเปลี่ยนเปลี่ยนเพลง clean, clean จากพระกรมพีตอนที่ติดกันนะครับ60ข้อที่1กับ60ข้อที่2องแฮนเดิลเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคนร้องจากเอาทโทสมาเป็นบาริโทนบาริโทนก็คือเสียงกลางของผู้ชายนะครับคือเสียงสามเสียงสี่ที่เรเรียกเสีงสามสก็คือเอาท์โทน โซเปรนโนอัลโตเทนเนอร์เบสเสียงสามคือเทนเนอร์เบสคือเสียงสีบาริทโทนก็คือเสียงระหว่างเสียงสามและเสียงสีผู้ชายที่สูงไม่พอและก็ต่ำไม่พอคือครึนน่งกลางๆนี่เขาเรียกบาริทโทน บ, บาริทโทนบริ ท, น, รท น, นะนะแต่เสียงเขาจะนิ่มเพราะมากเลยเสียงเขาก็มีกำลังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอิสยามที่สองภาษาพี่น้องเดี๋ยวสังเกตดูนะครับทีนี้ขออนุญาตไปที่ 11ครับเพลงทีิบเอ็ดเบสโซโลครับที่นี่บอกว่าอะไรครับบอกว่า The people that darkness great light ชนชาติท่วรเกินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงาวัตุราษสว่างจะได้ส่องมาบนเขาและก็จบท้ายท่อนนี้นะครับด้วยคอรัสซึ่งเป็นเพลงที่หลายคนชอบมาก เป็นร้องอันดับสองจาก a าริลิยาครับก็ร้อง For unto us a child is born นะครับเดี๋ยวเราไฟังนะครับนะทีนี้พี่น้องครับในศาสนศาสตร์ของเพลงนี้นะครับในอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับผมอยากให้พี่น้องถ้าเกิดใครมีเครื่องพีเนี่ยเปิดนะฮะอ่านพร้อมกันดีครับเราจะอ่านพร้อมกันอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับถ้าใครมีลักกาข้าผพิมงตัวเองนะครับอย่าไปขีดท้ามทีโบทะ มีตัวเองนะครับกฤษยามันที่9ก้6นะครับเราอย่างพร้อมกันนะครับผมจะอ่านภาษาอังกฤษให้ก่อนรอพี่น้องที่เฝือกสาธัย for unto us a child is born unto us a son is given and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called wonderful counselor the mighty god the everlasting father prince of peace ่ตรงนี้อบอก wonderful counselor the mighty god The everlasting Father, the Prince of Peace เดี <ijn Diamond> kind of ๋ยวพี่น้องจะดูจะได้ฟังนะครับเขาร้องอย่างนี้เลยเนี่ย Wonderful Counselor, the Mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince of Peace โ oh, อ uh, <im itation> ้โห้กระ่มมากอลังการจริงๆพี่น้องครับ ฟังแล้วไม่รู้เรื่องครับฟังอีกรอบนึงที่บ้านครับ u b e ูบยูทูบนะครับฟังอีกรอบนึงที่บ้านนะครับยู u ูบนะฮะลองลองไปฟังดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์สันติเปิดดูแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดดูผมผมอินิ้ธิบายนิดนึงครับที่นี่นะครับมีพลักษณะของพระมาศีหาประมาณพระเมศศิยาเนี่ยครับ4ประการด้วยกันพี่น้องและทุกครั้งเลยนะครับเวลาคริสต์มาสเนี่ยนักเทศจะต้องเทศเรื่องนี้ ผมจะบรีฟให้ฟังง่ายๆนะครับสี่ประการคุณหลวงปู่บาประการของข้ามาพระเมสสียาก็คือ1 Wonderful Counselor WC W o n d e r f u l Counselor นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นที่ปรึกษามาสจรรย์ซึ่งมีแผนการนะครับซึ่งรู้แผนการซึ่งวางแผนการอันมีชติปัญญานะครับเป็นผู้ ปรึกษาเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ผู้ซึ่งวางแผนงานรู้แผนงานและกำหนดแผนงานไว้อย่างอัศจรรย์ไว้อย่างมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่า o n นเดฟูคาเชลเลอร์เนี่ยมีความหมายแบบชีวิของเราก็คือว่าเวลาที่เรามีปัญหาคาสคกในชีวิตนะครับเราสามารถที่จะปรึกษาถึงษามหัศจรรย์นี้ได้และทิษสามหัศจรรย์ผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้รู้ แผนชีวิตของเราทุกอย่างในขณะเดียวกันโปรงทรงวางแผนชีวิตของเราทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเวลาเดียวกันโปรงทรงนะครับกำหนดเราตามที่ชอบไทยของโต้วันเดฟูเขาสรุปอันที่สองครับ MG MG คืออะไรครับพี่น้องลองเดาไม้ที่ก o d ไม้ที่กอ d นะครับเป็นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชัยโชว์ของพระเจ้านะครับ เป็นไททอลของพระเจ้า Mighty แปลว่าอะไรครับพระเจ้าจอมโยทา The Lord of Hosts ก็คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธรินะครับพระเจ้าผู้ทรงวิริยธรรมภาพสูงสุดเขาเรียกเป็นออมนิโพเทนต์ออมนิโพ t ทนต์คืออะไรครับ Potential Potential แปลว่าศักยาภาพใช่ไหมครับศักยาภาพสูงสุด คือพูดง่ว่าเราไม่มีทางที่จะรู้ศักยภาพของพระองค์ได้สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอมนิโพเทนต์อมนิแปลว่าโอเอแอลอ๋อนะครับตรงนี้จยองเป็นสามครับพี่น้องจำได้ไหมครับอมนิโพเทนต์อมนิเพรสเซนต์แล้วก็อะไรครับอมนิเชนส n อมนิโพเทนแปลว่าพระเจา้าทรงมีฐานะสูงสุดนะครับ อมนี้เชนแปลว่าพระเจ้าทรงสัพพันอยู่อมนี้โปร n ทนอมนี้เ้ก็อครับอมนแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่ทั่วทุกแห่งผลมีอมนี้สามอมนี้นะครับในฉนักสารนะครับนะอมนสานี้อมนี้โเทนแล้วก็แล้วก็อะไรครับพรพระเจ้าทรงสถิตทั่วทุกแห่งผลแปลว่าอะไรครับพระเจ้าอยู่ที่นี่ในดุจันพระเจ้าก็อยู่ที่นู่น ในเรื่องการพระเจ้า ก, ก็อยู่ทุกที่ทุกแห่งตรงนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งพระเจา้า อ, อยู่ในต๊ะนี้ไหมยู่ในโต๊ะไม่อยู่ในกูเกิลไหมครับอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมยอยู่ในโปร เ, เจรเคเตอร์แบบโปรเจคเตอร์ไหมไม่อยู่ เพราะอะไรครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลัที่เทียมเทพไปนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ทุกผลทุกแห่งแล้วก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในวัตถุอยู่ในนูน่นอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นพระเจ้าเรือยหมดเหเห็น <c oughs> ไหมครับอันนี้เขเรียกแผนทีซึ่งนะครับก็คือว่าทุกอย่างครับมีมีพระเจ้าอยู่หมดเลยเป็นพระเจ้าเรื่อเพราะฉะนั้นเจอต้นไม้ก็วายได้ เจอกระดานดำก็ไหวได้ถ้ากระดานดำมันออกฤิ์เน ค, ครับเจอคนนิ้คนนี้ยไหวได้หมดเลยครับอันนี้คือแผนตีซึ่งซึ่งเป็นลทัทธิเถียมเท็จนะครับไม่ใช่ออมนิเพร e ินนะครับคนละเรื่องกันนะครับนะพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งได้แต่เราอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ได้และพระเจ้าเนี่ยอยู่ในทุกที่ได้แต่ทุกที่ไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับทุกอย่างไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าอยู่ในทุกอย่าง โอเนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับซาสานเรื่องพระเจ้านะครับ omnipotent o m n i p r e e n t แล้วก็ omnipresent ทีนี้เรามาดูอีกทีนะครับ EF everlasting Father เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเยซูห้ามนะครับเพราะอะไรพี่พระเยซูเป็นพระวิดาได้ยังไงไม่ใช่ครับพระบิดาเยซูก็เป็นพระเยซูเป็นข้าบุทธของพระเจ้าแต่นะครับ everlasting Father นั้นมีความหมายว่า the protector โปรเทสเตอแปลว่าอะไรครับบิดานี่ยครับดูแลบุตรบิดารักบุตรพระเยซูนะครับก็เหมือนกับเป็นคุณพ่อที่รักรักใครครับรักลูกโปรเทสเตอร์นะครับโปรเทสเแปลว่าปกป้องคุ้มครองอารักขานะครับอันนี้ในแง่ของคุณภาพนะครับไม่ใช่ในแง่ของสารภาพนะครับต่อไปครับโจทย์สุดท้ายเดี๋ยวปรินซ์เซอร์พดี๋ยวปรนซ์เซอรแปลว่าอะไรครับพี่น้องรู้ไหมครับว่า เ <c oughs> มสซายาคนนี้มาในสถานภาพอะไรครับมาในสถานภาพของกษัตริย์เป็นคิงออฟคิงนะครับและในวีดีโอการเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อะไรครับนำสถินภาพมาให้ตัวนี้เเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจยากคาว่าคำว่า prince of peace เนี่ยเข้าใจยากทำไมถึงเข้าใจยากครับกษัตริย์นี่นะโดยปกติเนี่ย จะสร้างสันนิภาพได้โดยเลยครับสงครามนะครับคนที่ชนะนะครับก็คือต้องขี่ม้าใช่ไหมครับแต่กษัตริย์พระองค์นี้ทรงลาครับเห็นไหมครับทรงลาลานี่มีความหมายถึงอะไรครับเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อทที่แล้วอะไรครับผงใจนะครับมิ n e s s และอะไรครับ สันติภาพสงบสุขนะครับนี่คือสีลักษณะของพระเมสยาที่นี่บอกว่า for unto us a child is born u n to us a son is given a child นี่นครับ ค, คือใครคใครคนยิวนะครับผมพูดถึงคนยิวก่อนนะคนยิวไม่เชื่อเป็นพระเยซูเขาคิดถึงใครครับเขาคิดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเอเสกิยาเอาไว้แค่นี้ย่อนนะ เดี mm ๋ยวมันจะยุ่งมากกันไปนะครับเขาเชื่อว่าเป็นกษัตริย์เฮเซียและกษัตริย์เฮเซียเฮเซียเนี้ยเป็นลูกของกษัตริย์อาหัสอาหัสที่เป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายมากแต่ด้ีลูกนี่ดีมากเลยเฮเซียเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นกษัตริย์ที่ขู่แบบสุดยอดเลนะครับเฮเซียทํำอย่างหนึ่งนะครับในสมัยของเขาเนี้ยเขาขุดท่อส่งน้ํา ท่อส่งน้ำเนี่ยโดยใช้เลยโดยใช้หลักสถาปัตยกรรมเนี่ยของโรงและท่อส่งน้ำพวกเนี้นะครับตู้นเนี่ยมันยังมีซากหงเหลืออยู่นะครับเราสามารถที่ส่งน้ําได้นะครับจากที่ที่มีน้ําเข้ามาผ่านพ่อชานที่แห้งแล้งเนี่ยมาอยู่ที่คุงเยวเซินได้ถ้าใครไปเยอเซินเนี่ยจะเห็นนะครับท่อส่งน้ำมัโนโอเวอร์อังการอเมซิ่งอัศจรรย์มากมันส่งน้ํามาได้งงนะครับมันใช้ใช้วิธีเรียกว่า การไหลของน้ำนะครับจากที่สูงเนี่ยมาที่ต่าํานะครับแล้วมันลงมาลงมาตามภูเขาได้วยนครับมันก็อาศัยแรงการน้ํานั น, นามมางลงมาดันลงมาเนี่ยเหมือนกับอะไรแเราเรานั่งเรานั่งอะไรครเรียกอะไรนะสไลเดอร์มันวิน่งลงมาเนี่ยครับด้วยด้วยแรงนึงอยู่ขอโล่แล้วมันก็สามารถขึ้นไปได้มันขึ้นไปอีกเนีก็เหมือนกับอะไรนะที่เราเรานั่งที่ที่ไอ้อะไรเครื่องเล่นอนะเครื่องเล่น มวิ่งหน่อยนุ๊มันก็จะในที่สุดโรลเลอคอสเตอร์นี่มันมันวิ่งวิ่งวิมาถึงเยนุเซนได้นะแล้วเยันุเซนเนี่ยอยู่บนภูเขานะครับนระดบน้ำขึ้นไปได้นะครับโอเคครับอยากจะให้พี่น้องฟังนะครับเพลงนี้ไฮไลท์ชุดนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่เป็นที่12ฟอนอาสาจฉิอสต์ฟอน์อเชนปิดครับอเชนปิดไฟ ครับเราจะเห็นว่าเวลาที่ดนตรีเขาเล่นนมันก็จะมีการล้อเลียนกันล้อเลียนกันของค่าต่างต่างนะครับอย่างเช่นว่า for 噔噔噔มันก็จะ噔แล้วเวลาเขาเริน่ครับอย่าง for to us a Chinese boy เนี่เขาก็เลือกแบบเบาๆพอเมื่นก็เค่อยเล่นดังดงไปดังใบดังเลแล้วใครแฝกอยู่ตรงไหนครับใครแฝกอยู่ตรงไหนครับ ให้แม็กที่4ประการ น, นะครับ Wonderful Counselor Mighty God Everlasting Father และ Prince of Peace ก็ลลยอะไรรูะแล้ว God, like, like, like, like. ลถ้าพี่น้องฟังนะครับอย่างอย่างอย่างอะไรครับอย่างคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องเทวสิทยินตรีี่พี่น้องก็อยากมีความสุกว่าเออมันก็เพราะดีนะใช่ครับแต่เราจะไม่เห็นเราจะฟังเรื่องของการแยกไม่ได้ อย่างเช่นนะครับเวลาที่เขาจบนะครับเดี๋ยวช้างเปิดจบช่วงจบนิดนึงคนระับ mm hmm. เขาก็จะล้อล้ออีที่เขาเคยเล่นมานะครับแล้วเราก็จะปรับนะครับให้มันมีความให้มีสีสันมากขึ้นในที่สุดเนี่ย จ, จบเติร์นเติร์นเติร์เติร์เติร์เติร์นเติร์ เดี๋ยวอีเดี๋ยวพี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับเวลาเดี๋ยวฟังเดียวฟันเวลาเวลาพี่น้องฟังนะครับพยายามเลือกฟังได้หูเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกฟังได้เราสมองเราจดจ่อจดจอเสียงต่ํานะครับพี่น้องฟังฟังดูนะจดจอเสียงต่ำนะพี่น้องเห็นว่ามันจะไล่ตึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงพี่น้องลองฟังดูนะครับครับเอาทำไมกี้ครับ นะครับอาจารย์ทำไงดีนะครันมันจะได้ยินเสียงนไง เดิมให้แต่งเพลงเขาจะรู้ว่าตอนช่วงไหนเนี่ยเขาจะเอาเสียงต่ำมานำตอนช่วงไหนเขาเอาเสียงสูงมานำนะครับแล้วพอมันเข้ากันได้ดีพวเนี่ยมันจะกลายเป็นซิมโฟนีครับเพราะว่าซิมโฟนีคืออะไรครับคือเสียงสาวคือเสียงมันเนี่ยจะสามารถเข้ากันได้ดีเป็นจังหวะเป็นงวช่วงไหนช่วงหนึ่งช่วงไหนช่วงหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องลองฝึกฟังเพลงพวกนี้นะครับจะฟังได้ในซิมโฟนีออเคสตราเท่ า, านั้นใช่ไหมบางร้อ ทีนี้พอเวลาเราเข้าโบดนะครับเราเข้าโบดถ้าเราฝึกฟังเพลงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับพอเข้าโบสถปุ๊บเนี่ยเราเรีรู้เลยครับว่านักร้องนะครับวันนี้ร้องดีร้องไม่ดีนัแน่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราสามารถเลือกฟังเสียงได้เสียงเบสเสียเเส่ยเขาเ บ, บาไปหน่อยไม่ค่อยออกเลยวันนี้นะครับเสียงเงาโทนี้รู้สึกจะเพีเ่อมไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะ อะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องลองฝุดฟังดูนะครับเสียงโซฟาโน่เนี่ยเขายัางไงก็ร้องถูกอยู่แล้วครับเพราะอะไรเขาก็เป็นเป็นเสียงที่นําแล้วเขาร้องง่ายเป็นทนํานองหลักใช่ไหมแต่พอเสียงเบสเนี่ยหรือเสียงอัลโตเนี่ยถ้าพี่น้องฟังแบบนี้เป็นบ่อยเนี่ยเราจะสามารถเลือกฟังเสียงใดเสียงหนึ่งได้เลยนะครับลองดูนะครับนะครับอันนี้เป็นเกร็ดได้เป็นน้อยในเรื่องของดนตรีทีนี้ครับขออาจารย์สัตย์ช่วยเปิดเพลงที่ เพลงที่แปด The People That Walk in the Darkness อืมนะครับพี่น้องนะฮะสังเกตเลยครับเมื่อกี้ผมบอกแลครับเพลงที่เก้าพอมาเป็นเพลงที่สิเนี่ยนะครับก็คือจากจากอะไรฮะจากอะไรน ะ, ะรนะนะออขออนุอาจารย์ขอเพลงที่เก้าก่อยแล้วต่อได้เพลงที่สิมันจะต่อกันนะครับเพลงที่เก้า Alto and Chorus นะครับ เพลงที่9เป็นชิในในของอาจารย์นี่นะครับก็คือเพลงที่ For d o w n That Forest c o u d Tiding <Yeah. S 1> ก็คือเพลง7ของอาจารย์ mm hmm. เพลง7ของอาจารย์ก็คือ For b E O Darkness mm hmm. นะครับ ฟังเพลงเยียวพี่น้องเห็ น, เ ห, นเห็นความมืนไหมเห็นความมืนฟังแล้วเห็นความมืน เสียงมันออกมาเนี่ยยืนยนนนก็คือเสียงไงครับมันเึง่เฉือมันมดมืดนะครับนะครับโอเคครับทีนี้เราไปที่เป็งที่สิาครับพี่ฟาพี่ฟาเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบล็คไพร์เปอร์อย่างหนึ่งไพเปอร์ก็คือปีนะครับปีปีอนี้ปีที่ทำด้วยถุงหนังเคยเห็นไหมครับ มันมีถุงหนัอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเขาจะมีที่นะครับในวงซิมโฟนีนะครับในวงซิมโฟนีเดี๋ยวอามอเวลาท่องฟังนะทอังแก ต, ตัวนะในวงซิมโฟนีนะครับเขาจะมีการจัดนะครับจะมีการจัดว่าโอเคไวรลิงไวรลิงนะครับไวรลิงก็คือเสียงสูงไวรลิงใช่มนะก็เล่นเสียงบาลีเมืนกแหละปเล่นเหมือนกันแหละแต่เล่นเสียงต่ง มีอันนั้นก็คือเวยล่าเวล่าก็คือว่าเบรนตัวใหญ่หนึ่งนะครับมันจะเป็นเสียงเอาโตของเวลินะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะทีนะ น, นี้ขอมอบเวลาให้น้องรางนครับคุณพ่อเป็นหน่หหดีใจมากเลร่จิ๋ว้งกาน <c oughs> เอาปาะก า, าปกาได้เ <c oughs> ที่ยวนี้จะแจ้งเตื <c oughs> อ <c oughs> ไม่ีแองง่ายลองจา้งเลยเยค่ะเมื่อกี้อาจารย์ศิษาพูดถึงซิมโฟนีกับเปสเต์ให้ไหมคะสะกดถูกไหมคะซิมโฟนีนะคะซิมโฟนีมันคือชื่อเรียกของประเภทเพลงอะค่ะเพลงจะมีหลายประเภทเช่นโอเปร่าอ่ออะไรอ่ เอ่อออเคสตราหรือว่าคอนแชตโตอะไรนี้ใช่ไหมคะส่วนออเคสตราคือเป็นลักษณะการจาับวงคือจะมีเครื่องอะไรเนี้ยอันนี้คือเป็นชื่อของบทเพลงที่จะเล่นอันนี้คือลักษณะของวงนะคะซึ่งวงออเคสตราถือเป็นเป็นการจัวงดนตรีที่จัดเต็มที่สุดจัดเต็มที่สุดเดี๋ยวเราจะวาดผังให้ดู นี้ก็อาศัย g ูเกอร์นะคะเพราะเพราะว่าหลงไม่รู้ใชอันแรกนะคะพาร์ทซ้ายสุดนี้จะเป็นไวยาลิมหนึ่งนะคะที่อาจารย์สอนบอกนะคะหนึ่ง no. แล้วก็อันนี้จะเป็นข้างๆกันในวัยโอลิมป์สองจะเล่นเสียงที่ต่างกว่าวโอลิ์หนึ่งจะสอนประสานกันนะคะแล้วก็มาสายนี้บ้งตรงนี้จะเป็นเชลโล่เชลโล่รู้จักไหมคะที่ครูหนุ่ยกับหมอหมอจอปจะเล่นในโบดจะนั่งเล่นสีสีก็ เ, เสียงโะต่างกว่าเวลาเชลโล่นั่งเล่นน้ําฐานฐานะครับก็องฐานฐาไม่เหมาะสมกับหญิงด้วยนะคะ แล้วก็ดับเบิลเบสจะอยู่ตรงนี้นะคะใชดับเบิลเบสดับเบิลเบสคือจะเป็นไวโอลินที่ตัวใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ข้างหลังข้าสุดนะคะดีนเล่นโดยปกตเราไม่มีคนเล่นนะคะถ้าเกิดใครมีลูกหลานจะส่งให้เรียนได้นะคะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นวีโอลานะคะวีโอล่าวีโอลาคือตัวใหญ่กว่าวโอลินแต่ว่าตัวเล็กกว่าเชลโล่สีสีอยู่ที่คอเหมือนไวโอลินเลยแต่ว่าตัวตัวจะใหญ่กว่า ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่นั่งของเครื่องเป่าเครื่องลมไม้อะคะ่ะเครื่องลมไม้ก็จะประกอบ ด, ด้วยยอยๆไปก็จะมีคาริเนตคาริเนตบาสูนแล้วก็โอโบตรงนี้เป็นโอโบแล้วก็อันนี้เป็นขวี่ recorder นะคะส่วนข้างหลังตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสแถวอีกตรงนี้คือเป็นเครื่องทองเหลือง เครื่องลมไม้เครื่องทองเหลือคือเครื่องลมไม้คือเสียงมันจะทํามาจากไม้อะค่ะเช่นแบบฟลูดฟลูดนี่จริงๆเป็นเครื่องลมไม้นคะคะแต่ตอนหลังมันถูกทำมาด้วยเป็นเครื่องเงินแต่เขาจะเรียกเป็นเครื่องลมไม้เหมือนกันส่วนเครืร่อง ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทองเครือ่องทองเหลือก็คือจะเป็นพวกแตรทำเป็กทําบนแซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้เป็นพวกเครื่องทองเหลือแล้วก็สุดท้ายตรงนี้จะเป็นเครื่องกระทบอะค่ะเขาเรียกว่าเพลการชั่นเพลการชั่นก็จะประกอบ ด, ด้วยเอ อะไรอ่ะกองอ่าใช่เค percussion จะมี2แบบค่ะอันแรกคือ percussion คือกระทบที่มี p i กับไม่มี p รอกระทบที่มี p i ก็จะที่มันคล้ายๆลัมนา่ะค่ะพวกไซโลโฟนอะไรอย่างเงีเ้งนงบบนงนง ย, ะ ย, ยะ น, นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่กระทบกับไม่มี p i ก็คือเป็นพวกจริงฉากกลมกอจะอยู่ข้างหลัง น, นะคะรวมไปถึงฮาร์ฮาร์จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแฮาร์แล้วก็เปีโนถ้าเป็นเโ น, เ, โนเปีโนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ แต่ น, นี้คือการจัดถังวงซีโฟนีอัลเฟสตาแบบในยุคยุคเต็มจัดเต็มแล้วคาสิแต่ว่าอย่างที่เัียนศกษาบอกใช่ไหคะในยุคปาร์โกคือยุค ก, ก่อ น, นะคลาสสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดนตรีมันยังไม่ถูกพัฒนาไกลาี้ค่ะคือเครดนตรีบางชิ้นก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาบางชิ้นก็ยังไม่สมบูรณ์เช่นเป็ น, นในยุคปารโกที่แฮนเดลขับแต่เนี่ ย, ยไม่มีเปเน ซึ่งสมัยนั้นจำได้คัคะว่าใช้เป็นอะไรแทนโัซคอใช่ค่ะ oh. ก็ถ้ามีฮัซคอรรู้สึกว่าผานการจัดวงมันคือในสมัยบาโรสเนี่ยของแทนเดลเนี่ยการจัดวงจะเล็กกว่านี้คือวงอเสตร์เนี่ยเริ่มต้นจริงๆเนี่ยในการจัดวงดนตรีเนี่ยถ้าเราลองจินตนาการูมันก็เกิดจากอัครดนตรีเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มาผสมวงกันถูกปะคะเพราะฉะนั้นสมัยแรกเลยเนี่ยก็ดนตรีที่มันพัฒนาขึ้นมาจน เลูกเป็นรล้าแลนะ้ก่อนจะเกิด อ, ออเคสตาราก็คือเป็นพวกเครื่องสายก็คือไวโอลินไวโอลาเชลโล่ดั บ, ดดดบเบสเขาจะเรียกว่าเป็นสตริงออเคสตาราพอมาถึงในยุคบารโรเป็นยุคเริ่มแรกที่มีวงออเคสตาราขึ้นมาก็จะมีแค่เป็นสตริงก่อนสตริงเสร็จจากนั้นก็เป็นสตริงบวกกับเครื่องลมไม้คือเป็นพวกวูมินบวกกันจากนั้นเข้ามาในยุคตอนปลายของปลายของยุคบาโร ไปยุคบาโรสจะเป็นสตริงบวกเครื่องดนต่ีแต่ยังมีเครื่องดนตรีไม่เยอะขนาดนี้นะคะยังไม่จัดเต็มขนนี้แต่จะมีเครื่องทองเหลือด้วยนิดหน่อยมีแค่รู้สึกมีแค่ทรมโบนเนเชอรลมโบนแล้วก็เปอร์เคชั่นนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งในของแทนเดลหนูเดานะคะเดาโดยวน <c oughs> ในแทนเดลเนี่ยเขาเกิดมาค่อนข้างในยุค ป, ปลายของบาโรสแล้วใช่ไหมคะท่านแรม แอนเดลซึ่งตอนที่แต่งเมสยเนี่ยน่าจะเป็นปีประมาณ1700อันนี้กูเกิลนะคะันพอย่กว่าใช่ไหมคะที่แต่งเมสยซซึ่งยุคปลายวาโลกมันนัน่นาค่ะถึงเป็นยุคปลายาโลกเพราะฉะนั้นดูเดาว่าตอนที่แอนเดลแต่งเมสเซียเนี่ยวงอ อ, อเคสตราที่เอามาเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็น ม, มีอาร์ซิปอร์มีพาร s ส r ตร m แล้วก็มีเคองไม้นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มี ก็ทองเหลืองก้ทองเหลืองเฉพาะอาจจะเฉพาะชมโบนด้วยแล้วก็เปอร์เซชันนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เปิดให้ก็จะเห็นสังเกตนะคะที่อาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยวงออเคสตราที่เล่นเนี่ยขนาดเล็กมากเมื่อที้มีใครสังเกตนะคะมันจะมีมีคนเล่นออเคสตราอยู่ไม่กี่คนแล้วเอ๊ะแล้วเห็นมองไปก็จะมีแต่เครื่องสายมีเครื่องสายเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นออเคสตราในยุคบาโร่ค่ะ ขอบคุณมากครับข้บางกลบบนน้ำปลารกเยนครับอันนี้ไม่รู้จริงผมไม่รู้ไม่จริงเหมือันยอะไรนะ่น่ยแบาพลัพ<ว>กษจำนะ <c oughs> อขอบคุณมากครับหนึ่งสองนะครับสามสี่พี่น้องสังเกตดูนะหนึ่งสองสามสี่ันจะคุมเสียงไม่แต่สูงเป็นึ่ำเหนือนกะับ อันนี้มีคอยนะครับพอตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเป็นเป็นพุทธวิพุทวินก็คือเครื่องลมไม้ทีี่รสบอกอันนี้เป็นเครื่องลงทองเหลืองร <Br ass. S 1> นะครับบราสวินนะะราสวิน <Yeah. S 1> ไหมบราสบราสเฉราสเฉย น, น, นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าทั้งคอสนดะีดีดีดี ด, ดีนะครับีอะไระครับหาบนะครับสี ตีตีเป่าก็ดีซิตี้เป่านะครับแล้วมีคอรัสก็ร้องจบจ่ง่ายๆนะครับออเคสตรา a นี่ก็คือจัดเต็มนะจัดเต็มดีซิตี้เป่าดีอยู่ไหนครับนึกถึงภาพตรงนี้นะครับอีกหน่อยพอเราไปดูออเคสตราบอกอันนี้วงใหญ่จริงๆครับนะครับพี่น้องกลับไปนะครับเปิด YouTube นะครับ LSO London s y m p h o n i c Orchestra นะครับ LSO แล้วก็เปิดเมสซายนะครับ ท่านจะได้ยินจัดแต่งก็คือโพรออเคสตราเลยนะครับเป็นมาตรฐานจัดแต่งก็คือมีทั้งทุกๆพาร์ตดิสซ่าหมดแล้วก็คอรัสด้วยคอรัสทนี่ก็ของเขาเนี่ยก็เป็นร้อยนะครับเนี่ยโอเคครับทีนี้เรามาเข้ามาที่พัสดุโร่ซิมโฟนีพัสดุโร่ซิมโฟนีเนี่ยนะครับเวลาเราฟังเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกคี่เรียกว่าทันสคิว ทานสกูรเซอร์พี่น้องจาก izer, ทานสกูรเซอร์ไหมครับเป็นยาอย่างนึ่งครับเรียกว่ายากล่อมประสาททานสกูรเซอร์เนี่ยเวลากินไปเนี่ ย, ร, ยรู้สึกสบายรู้สึกสบายนะครับปษะสาทกิตใช้ก็ว่าซูดติ้งซูดติ้งแปลว่าทำอะไร ม, มันมีความรู้สึกว่าสบายสบายนะครับมัน ด, ดีรู้สึกดีนะครับซูติ้งเพราะฉะนั้น Sing, uh, เวลาฟังพัซโซโลซิมโฟนีเนี่ยพัโซโลซิมโฟนีเนี่ยมีความว่ามีความว่ า, วาเป็นซิมโฟนีที่ให้การดูแลอภิบาลพาสเตอร์พลาสเตอร์คือสีบาลเนีครับพัโซโลก็คือว่าเป็นเพลงที dream, ่โดนตรีบำบัดเพลงที่สร้างความรู้สึกที่ดีๆสร้างความรู้สึกที่อะไรครับซูตติ้งหรือทาร์สคิวไรเซอร์เนี่ยก็คือทาให้กลมเรานะครับกลมเราคน มีขี้แกะกระวีหลายคนนะครับที่แต่งพาสโซโลซิมโฟนีและฮันโดนะครับนะเป็นบาร์กนะครับเป็นโมซาร์นอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วก็ฮันโดเนี่ยฮันโดเนี่ยก็แต่งพิฟฟาครับซึ่งใช้นะครับซึ่งใช้และไพ่พื้นก็คือปีนะครับนะีครับเป็นสิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากฟังคืนนี้กลับไปไปฟังเมื่อกี้นี้นะครับได้พูดถึงมีอย่างนึงที่อยากขอความรู้บัง เวลาเครื่องเป่านะครับมันจะมีลิ้นเดียวกับมีสองลิ้นใช่ไหมงาเข้าแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นแซกโซโฟนมันจะมีลิ้นเดียวถ้าใครเคยเป่าแซกโซโฟนนะครับคือลิ้นไม่ไผ่เนี่ยไม่ไผ่นะครับซึ่งมันเป็นตัวสั่นเนี่ยทำให้เกิดเสียงเนี่ยมันมีแค่ลิ้นเดียวนะครับเอาง่ายกว่าใช่ไหมกว่าพวกที่มีสองลิ้นสองลิ้นนี่ มันมีตั่งลิ้นบนลิ้นล่างนะก็คือพวกคารินเนตไงคาริานเนตเนี่ยมันมีลิ้นบนกับลิ้นล่างเสียง ม, มันจะแตกมากเลยแล้วการปรับปากเนี่ยครับปรับยากมากถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากใช่ไหคารินเนตนะถือเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากก็มีสองลิ้นอันนี้เป็นความรู้ที่ผมมีอยู่ลองปั้เสริไมได้ห <laughs> <laughs> นคะครับเพราะว่าเคยเป่าเคยเป่าอนนเอาเอเออนะี แซกซโฟนเสียงบาริโทนผู้เปมากเลยเปล่าไปเป่ามาเป่าไม่ไหวครับเพราะว่ากลัวกลัวกลมีปัญหาเรื่องฟันคนที่เปล่าทำเป็ดนะครับมันก็จะกดฟันมันคนที่เป่าเปล่าพวกเครื่องเปล่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องฟันครับยิ่งเป่าฟันยิ่งเห็นเย็นเย็นเย็นเย็นยจริงไหมครับ ไฟข้างล่างร็ปุบไปเรื่อยไฟข้างบนก็เดือดไปเรื่อยเ่าไว้สักพักหนึ่งนะครับพอเป็นหนุ่มก็ม่หยุดเป่านะครับนี่ยโบสถ์เราก็มีนะน้องคนหนึ่งทีนี้ครับเราจะไปที่ฉากที่สามครับฉากที่สามอยู่ในแผงที่สิบสี่ครับถ้าพี่น้องดอูนะครับตีมตีมขององค์ที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้เรนะิ่มมืดนะพอเริ่มมืดปุ๊บเนี่ยพอเป็นอีกสองจุดประกายความต่อมหวังข อ, องอสซิลัสชา โ, โนสโรบอลที่ไหนครับบอลที่ที่มีความมืดนะครับก็คือบอลอยู่ที่ไหนคือบังเกิดที่ไหนครับบังเกิดที่เบตเลเฮม s h e p h ป r d s field ก็คือเป็นทุ่งหญ้านะครับในทะเลทรายเนี่ยที่เป็นที่เนี้งแก่ของบรรดา ผู้เงแกะเชียเย่ยวเห็นไหมครับเขาเขามีมีฉากได้อย่างดีเลยแต่ที่น่าน่าสนใจมากก็คือว่าน่าประหลาดใจมา ก, กคือว่าเอาเรื่องทีม่มามามาเป็นมาเป็นเนื้อหาแล้วก็เดินเรื่องต่างซีนนะครับซีนก็คือท้องเรื่องนะท้องเรื่องที่เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังพวกเนี่ยเราจะคิดถึงภาพ ค, ค, ความมืดคิดถึงภาพว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราแล้วก็คิดถึงภาพนะครับในยาม ข่าคืนที่มืดใช่ไหมครับคนเลี้ยงแกะเนี่ยก็เฝ้าหลับเสียงแกะของตุม่มนพอมาถึงตรงนี้พวกเนี่ยเราที่ติดเพิ่องทีลูกาพิทสองพ่อแฝทันดีเลครับนี่น้องครับมีใครท่องเัรื่องทีลูกาพิทสองพ่อแฝดได้ไหม จันทร์ฝังภาษาจีนครับเปียนให้จันทร์องต้องภาษาจีนเราทั้งวนตั้งแต่เด็กนะครับูกัรมวที่องเขาแเชิญครับยูเกียรอีเวอจักรองแปะลีเฮงชื่อเียตีรี่แม้การานเปี่ยแกชอิวียคุงปูจู่ตีไซเจียจต่อทางเานเปลีย กู้ติยงกว่างเสียงเจีเ๊ดท่ามมึงบอกยันดีนะอย่าสิยงผัวน้าทียงใส่ดีท่านมึงสว ย, วยวปุ๊กย่าผัวว่าจิบหรือมึงไปยี่ที่สิงเสก่อแล้วครับจำได้พอเลยครับรคกวีสอนที่น้องครับมีลูกมีหลานนะครับต้องมาเรียนรั กับทุกคนต้องต้องได้ถ้าเรียนละวีนะครับตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเชื่อใหม่ละมีเป็นของเด็กไม่ใช่ครับระวีเป็นของผู้ใหญ่ด้วยพี่น้องครับนะครับขึ้นจากจะเจริญได้นะระบบละวีเนี่ยต้องเข้มแข็งท่องทุ่งทีให้ได้นะครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้เว้นไม่มาถึงครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระทิศผู้นั้นเป็นคนที่ลูกสร้างใหม่แล้ว ภาพเ่าๆก็ร่วมไปนี่แกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นชักๆเข้าที่เลยนะครับอย่างที่เห็นครับอ้าวสุดที่บทที่หน่งเด็กต้องท่ได้ห้าบทนะครับสุดที่บที่หนงที่ยี่สิบสาบทที่1นึ่ยบทที่1นึ่งร้ี่็ดแลก็บทที่1นึยห้า เราท้องได้เลยภาษาจีเวลาไม่สบายนะครับนึกอะไรไม่ได้เลยสวดีบที่23ครับเอย่หัวหัวสีหัวตีหมกเชี่ยแล้วก็ค sa ิดถ right ึงนะครับตอนนี้พี่น no ้องไม่ต้องท่องนะเวลานี้โบสมีอะไรครับโบสมี s d c a r d นะครับส่งให้กับพี่น้องเวลาอยู่ใน ICU ไม่ทันแล้ว น้ำตาท่านจะไหลออกเปิดเพลงฟังอธิษฐานให้น้ำตาไหลออกคาบคาบไปอย่างทไมคาบนะครับก็ฟังน้ํนตาไหลซาบซึ้งก็นะไรคิดถึงสมัยก่อนนะครับบางคนอาจจะเสียใจทำไมสมัยก่อนไม่ไม่ท่องไวอะไรประมาณนี้โอเคครับเรามาดูที่เพลงที่สิบสี่ เชฟเฟิดนะครับและเพลงที่15บห้าอยโนอยู่ในพระนักรูการบทที่2ข้อแปดข้อที่เก้า 9. ผอยากให้ฟังครับลูการบทที่สข้อที่แข้อที่เก้า 9. ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาำเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองหนึ่งของพระบิณฑบามาปรากฏติดเขาและพระสิริของพระบิณฑบาตส่งล้อมรอบเขาได้เขากลัวนะายทูตอง์นั้นกล่าวแกเขาว่าอย่ากดัวเลยเพราะเรานําข่าวดีไปทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปรง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยรอดของท่านทั้งหลายคือพระกิตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาบีข้อสิาครับในเช่นดนั้นมีชาวสวนหมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองนั้นร่วมสรรเสริญประจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปา น, นั้นเพลงนี้นะครับเป็นเพลงคอรัสเป็นเพลงที่17เจ็ Glory to God Glory to God in the h e a r ไสูงนะครับ S แล้วก็จุดแล้วก็อะไร m P S ไฮเอนะครับแล้วก็อน่อักแล้วนะนะครับลองฟังดูนะครับโอเคครับชินฟังครับ Absolutely. าศาสนาอยู่ที่นี่นาศาสนาเรื่องนี้ก็เรียกว่าเนทีวิต ที่จะมาอีก่อนเด็กๆนะครับหลายหลคนเนี่ยเล่นละนครคริสต์มาสก็จะเป็นเนทีวิตี้ซีนก็จะมีโยเซฟมาตีแล้วก็มีทารกน้อยแล้วก็มีรางญ้านะแล้วก็มีเลไยครับ <c oughs> คนเลี้ยงแกะแล้วมีเลไยครับมีเลยครับมีแกะใช่ไหมแล้วมีอะไรครับมีโหราจาร์3คนอะไรประมาณนี้นแนนั่นคือเนทีวิตี้ซีนทีนี้เนทีวิตี้ซีนนะครับ คำว่าเน t i v i t y นี่แปลว่าเนทีฟเนทีฟเนทีฟเนทีฟไปก็เกิดแล้วครับอาจารย์ <c oughs> ชาตเราเนี่ยนะเป็นชาติอะไรเราเป็นชาวอะไร ชาวโลกหรือชาวสวรรค์เราเนี่ยเราเนี่ยเราเป็นชาวโลกพระเจ้าขงเราเป็นผู้สร้างสวรรค์ใช่ไหมครั บ, รบนะโกเนทีฟเนทีฟเนทีฟแหละลมาอะไรครับตัเกิดเป็นมนุษย์ นี่แหละเนทีวิตี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์จากพระเจ้านี่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อห้าข้อ11เนี่ยพูดถึงเลยรพระองค์ทรงเอมที่หิมเก็คือทำให้พระองค์เนี่ยนะครับนะเอมก็คือว่างเปล่าทำให้ตัวพระองค์เองเนี่ยว่างเปล่าจากพระเจ้าเนี่ยที่เป็น Omnipresent o m n i s c i e n ช om ์อออะไรทั้งหลา ย, น, ยนะครับ ลงมาเป็นสภาพที่จำกัดอันนี้แหละครับคือเร t i กพนะครับจริงๆแล้วมี3าทางศาสนาสตร่ก็คือทางเรื่องของการว่าพระอ ง, งคสงส์นะครับได้ทรงสลัดนะครับเอ็ทซลเนี่ยทรงสลัดท่อมพระองค์ลงจนทั้งถึง ส, สุดเลยครับจากผู้ที่ไม่จำกัดเนี่ยกลายมาเป็นผู้ที่จำกัดอันนี้ก็คือ s o n of Man นไครับจากซันออฟก้อเนี่ยมาเป็นซันออฟแมนซึ่งจำกัดมากถามว่าพระองค์ทำเพื่อใครทำเพื่อใครทำเพื่อเราพี่น้องคิดดูนีครับพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่มีอะไรที่ไม่รู้เลยเพราะเป็นอมนี้นะครับอมนี้ชินสัพันยูพระองค์เนี่ยนะครับอยู่ทั่วทุกหนแผ่งอมนี้เพรสเซนต์นะครับและพระองค์ก็อมนี้โปรเทน คือความความความอมนิทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะมีประสบการณ์ของความจำกัดเลยแน่นอนถูกไหมครับพวกเราเนี่ยมีความจำกัดเรารู้ไหมแต่เราอยากจะอะไรครับอยากจะไม่จำกัดแต่พระองค์เนี่ยนะครับกลับกันพระองค์เนี่ยไม่มีจำกัดเลยอันลิมิเต็ดกลายเป็นลิมิเต็ดแล้ว ถามว่ายากไหมยากที่สุดนะครับและผมก็เคยบอกพี่น้องว่าพระเยซูกับพระบิดาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันครับพระเยซูไม่เคยแยกจากพระบิดาเยที่น้องจำได้ไหมครับมีเชี่ยววิญญาณที่นั่นน่ะที่พระเยซูบอกว่าอะไรครับเอรีเอรีลามาสักพานีแปลว่าอะไรครับพระเจ้ า, าค่ะ ฉไนทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอันนี้เป็นประสบการณ์ที่นะครับที่พระเยซูไม่เคยจักพระเจ้าแต่ณเวลานี้นเนื่องจากความบาปของเรานะีความบาปผิดของเรานี่เทมานะครับความบาปผิดของมวลมนุษยชาติเนี่ยเทลงมาที่ตัวพระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบิดาพระเจ้าเนี่ยเบือนพระพักจากพระไปจากเป็นความเศร้านะครับที่ยิย่งใหญ่ ในขณะเดูกันเนี่ยเป็นความชื่นชมยินดีที่ยิงย่งใหญ่ก็คือถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นนะครับเรายังมีวันนี้ว่าคำตอบคือไม่มีนะครับตรงนี้เราจะเห็นเนื้ i ทีวิตี้อยู่สอย่างด้วยกันนะครับ For unto you is born this day in the city of David พระเยซูนะครับเป็นผู้ที่ทำพยายกรได้บ่งชี้ไว้เป็นพระมาสียาหรือเมสสิยาเนี่ยจะต้องบังเกิดที่เมือง ดาวิดประการที่2ก็คือพระองค์จะทรงเป็นเซเียกก็คือพระผู้ช่วยให้รอประการที่สพระองค์เป็นครสต์ไครสตแปลว่าอะไรครับผู้ที่พระเจ้าเจิมภาษาอิบรูเรียกไครสต์ว่าเป็นเมสยาห์หรือซิยาห์ภาษาอิบรูเรียกพระเยซูปเป็นพระมาซีฮาพระมาซีฮาแปลว่า The a n o ้ n t e d o วันก็คือเป็นผู้ที่ถูกเจิม นะครับสุดท้ายครับพระเยซูเป็นโรดโรดนี่ภาษาภาษากรีกนะครับเรียกคิวเรีสไม่ใช่คิวเรีสนะครับคิสแปลว่าเดอะโซเฟเรนวันก็คือผู้ที่มีริทานิภาพสูงสุดเดอะซเฟเรนวันใช้นะครับในภาษา พระคัมภีเดิมว่ายาเวนะครับเดลูดนะครับในภาษาพระคัมภีร์เดิมเนี่ยใช้คำว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์สองศหนึ่งห่เนี่ยใช้คาว่าพระยาเวซึ่งตรงจากภ า, าษาทีย์ดูว่ายาเวคือโลดคนยิวเนี่ยเรียกโลดกุ๊นี่ยรู้เลยครับไม่ต้องเอ่ยชื่อพระยาเวนะครับเรียกลูดปุ๊นี่ยรู้เลยครับก็คือพระเจ้า มันพระเยซูยปเป็นเลครับพระเยซูยปเป็นแ่ไหน <c oughs> เนื้อหนังรงเป็นไรครับ <c oughs> มนุษย์เกิดที่เมืองกาวิทเป็นพงพันของกาวิทนะครับ <c oughs> เป็นลักษณะเดียวที่เกิดตามเชื้อสายพงพันเนื้อหนังแต่คำว่า Savior คำว่าคริสและคำว่าโลนี้เป็นลักษณะของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยแสดงว่าพระเยซูเป็นใครครับเป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันความเป็นพระเจ้าของพระองค์แสดงออกเป็นผู้เป็นใครครับเป็นเซเวียก็คือพระผู้ช่วยรอดเป็นคริสและก็เป็นโลนตรงนี้เองนะครับทำให้เวลาที่เรานํารับเชื่อนําใครรับเชื่อก็ตาม พี่น้องคิดว่าอะไรที่จะเป็นทำให้เราเนี่ยครับมั่นใจที่สุดว่าคนนั้นคนนั้นเนี่ยเขารักเชื่อจริงๆต้องพี่บอกว่าอะไรครับเขารักด้วยปากและเชื่อด้วยใจใช่ไหมครับรักด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู่เป็นเจ้าตรงนี้เขาเน้นความสำคัว่าพระเยซูคริสต์ต้องเป็นรู้ไหมครับ ในการในเรืยอกันพระเยซูเป็นอะไรครับเป็นเซเบียร์เพราะฉะนั้นคำว่าเจสัสคริสต์ครับคำว่าเยซูแบบ เยซูยปแปลว่าเซเวียร์คริสแปลว่าเมสสิยาห์โลดคือยาเวนนครับเพราะนั่นว่า Jesus Christ ก็คือพระผู้ช่วยให้รอดผู้ผู้เจอนะครับเป็นพระเจ้าเวลาที่เราเขียนจดหมายนะครับ คนที่เป็นคริสเตียนเขียนจดหมายไปหากันานระ์นโ t ย i n g in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior our Lord and Savior เพราะฉะนั้นเวลานำคนรับเชื่อพระเจ้านะพี่น้องครับต้องนำมาถึงแก่นตรงนี้แก่นแท้ก็คือว่าเขาต้องยอมรับพระเยซูคริสต์เปิดใจต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้เป็นใครครับเป็นพ ร, พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงจะปิดการขายได้อย่างสมบูรณ์มั่นใจนะครับว่าเขารอดแน่ถ้ารับพระเยซูปเป็นเซฟีเออย่างเดียวได้ไหมครับผมว่ายัางไม่แน่ใจต้องเอาให้จัดเต็มนะก็คือรอด and เซฟีเซฟีนะครับสำหรับคนยิวเนี่ยคือใครก็ได้ที่มาช่วยเรา แต่คนไทยเรียกคระผู้ช่วยเราพุกเนี่ยเรกหนึ่งไปเยซูดังดีแต่ถ้าพูดถึงว่าเอเซสออเซสนะครับเซหรือโ จ, อ ช, ววจอชัวก็ว่าเสัสเนี่ยอีเสซุสเรียกเป็นภาษากรีกภาษาอียิปเรียกว่าโจชัวก็คือการทโจชัว น, นะ่ยนนะที่ต่อจากโมเสสเนี่ยโจชัวแปลว่าอะไรครับ g God s a v e ก็คือพระเจ้าทรงช่วยเพราะฉะนั้น คนที่ชื่อว่า Jesus นะครับมีเยอะแยะมากมายครับเพราะเขแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยพระเจ้าทรงช่วยผมเดี๋ยผมมีคนที่จูบช่วยไว้นะครับแต่ความหมายจีเซอร์สทายอาโลนเอเซเบแปลว่าพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ทรงเป็นองค์พระบุญเจ้าและรพระผู้ช่วยรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญนะครับอาจารย์ที่สอนผมเนี่ยสำคัญแกบอกว่าสําคัญแกบอกว่าอะไรครับ บอกว่าถ้าเป็นเซเว่เฉยๆนะครับก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่มาช่วยเราแต่ถ้าเป็นเซเว่แอนโลดก็คือพระเจ้านะครับผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้ช่วยเราหมายถึงพระเยซูนะครับโอเคครับนี่คือ4ประการของเนทีวิตี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเนทีวิตี้หรือว่าเราได้ยินคำว่าเนทีวิตี้อย่าไป อย่าไปคิดถึงด้านเดียวนะครับก็คือนามารีนะครับแล้วก็โยเซฟแล้วก็มีพระเยซู o, มีเมนเชอร์แล้วก็มีฝุ่งแก่มีแช่พ่อมีแ ก, มแ ก, มแก่มีอะไรเนงะี้ยให้คิดถึง4ประการเนี้ยว่า Jesus Christ our Lord and Savior who born in Bethlehem นะครับแดมิทครับเอาเลยครับทีนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายขององค์หนึ่งครับเพิ่งมาถึงองค์หนึ่ง ครับตั้งแต่เพลงที่18จนถึงเพลงที่21เนะครับเวลาที่ผมนั่งเตรียมนั่งอ่านเนี่ยนะครับเพลงที่18ถึงเพลงที่ยีเ็นี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้อิสยาบทที่40เนี่ยอยู่ในเพลงที่10แค่แค่ที่เดียวเท่านั้นเองเพลงเดียวนี้นะครับแต่เพลงที่แปเนี่ยครับร้องโดยโ o เฟโนโซโล่นะครับซรยาบทที่ข้อที่9และข้อที่10นะครับ ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับเซกัยาบทที่เก้าข้อเก้าที่สิบิฏาแห่งซีโยเหนยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บตรีแห่งเยลเชิงเกยจงโห o ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาาเธอทรงความยิติธรรมและความรอดท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายแล้วก็ข้ามมาในพระธรรมอิสยาบทที่35มหข้อหข้อหในตาของคนตาบอดจะเปิดออกและหูของคนหูหนวกจะเปิด แล้วคนงอยจะกระโดดได้อย่างกวางและลิ้นของคนป้ายจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานและในเพลงที่ยี่สิบนะครับพระองค์จะทรงเลี้ยงดูฝูงแก่ของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแก่ของพระองค์ไว้ในท้ากรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่ประรวงและทรงค่อยๆนําบรรดาที่มีลูกอ่อนไปอิสยาบทที่40ข้อสิ็และสุดท้ายนะครับพี่น้องเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ 20ต่อ21บนะครับบรรดานะครับผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาอาาเราเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอบของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราอ่อนสุขภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของทั้งหลายจะได้ดพักอันนี้มันวาที่สิเอ็ดกยี่11บแปดหลายในคนนะครับจริงๆแล้วเราทุกคนควรจะต้องทม Come unto me all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. อันนี้คือพระเยซูตรัสนะครับ Take his yoke upon you and learn of him, for he is meek and lowly of heart, and you will find rest unto your souls. แล้วก็ในเพลงที่เกิดนี้ก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจและเชื่อเชยเชื่อเชจริงนีมครับ บอกว่า his yoke is easy and his burden is light จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วพระเยซูบอกว่าแอกของเราก็พอบหมและทารักของเราก็เบามันเป็นเพลงอินวิเทชันจริงๆเดี๋ยวพี่น้องลองฟังดูนะครับมันเป็นเพลงอินเฟชันมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกอะไรครับรู้สึกได้รับการหนุนใจเวลาที่เราติดตามพระเยซูนะครับในองค์นี้นะครับในองค์หนึ่งเนี่ยครับและในฉากจุดท้ายเนี่ย เป็นฉากที่เหมือนกับเป็นการพาร์ซโลพาร์เซลโลซิมโฟนีอีกรอบนึงนะครับคนที่วิเคราะห์เพลงเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นเป็นฉากที่ทําให้เรามองเห็นความมืดของโลกและทําให้เราเห็นถึงว่าผู้สวรรค์นะครับมาแล้วก็มาบอกข่าวดีในสถานความมืดตรงนั้นนะครับมันเริ่มมีความสว่างขึ้นมาเรื่อยๆและในที่สุดเนี่ยนะครับจากคนที่เลี้ยงแก่เนี่ย เรากลายเป็นแก่ครับให้พระเจ้าเมียงนะครับพระเจ้ากําลังเลี้ยงดูเราพระเจ้ากําลังเลี้ยงอยู่เพราะว่าในเพลงที่20่สินะครับเพลงที่ยี่สกล่าวว่าเองบอกว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะและพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงและทรงนํามันค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปตรงชัดเจนนะครับและ จากตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับเขาเข้าไปในอิสยยาที่สามสิข้อห้าข้อหพี่นอ้ อ, อ, 35, 5, 6, องอ่านข้อสาข้อ5้ข้อหของพระธรรมอิส ย, ยาบอกว่าในตาของคนตาบอดจะเปิดออกหูของคนหูหนวกจะเปิดคนง่อยจะโดดและลิ้งของมึงไม่จะร้องเพลงพี่น้องคิดถึงพระคัมภีร์ใหม่ไหมครับพระมภีใหม่ตอนที่ยอนนะครับผู้ให้บัติสมาเนี่ยเขาสงสัยว่า นี่ยพระเยซูเนี่ยจะเป็นพระมาซิยาหรือเปล่าจะเป็นพระเมสสิยาหรือเปล่านะครับและเขาก็ตอนนั้นน่ยก็ถูกจับแล้วก i mean, like oh ็ส่งชาวโลกไอตอนนั้นถูกจับก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกทีส่งชาวโลกมาถามพระเยซูนะครับบอกว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นใช่หรือเปล่าหมายความว่าย้อนกลับมาเนี่ยครับท่านกำลังถามว่าจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าคุณเป็นพระเมสสิยาหรือเปล่า แล้วพระเยซูตอบว่าอย่งครับพระเยซูตอบว่าเลยครับพะระเยซูอบอกว่าคนหูหนวกก็ได้ยินคนตาบอด ก, ก็ได้เห็นคนง่อยก็เดินได้สแสดงว่าคำพยายกรณ์ น, นะสําเร็จอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตัวของพระเยซูพระเยซูกำลังบอกย้อนผู้ให้บอกสมาว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยานั่นแหละที่ชาวโลกรอคอยและท่านรอออยูย่ พอมาถึงคอรัสนี้ครับผมอยากให้จารย์ืเปิดนะครับก้ขอบคุณอาจารย์นันตีที่เปิดตลอดนะครับพร้อมยังฮะถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวโอเคนะพร้อมนะครับ ดูนโนต้ตไม่ทันนะคุณนะครับโอเคครับเราก็จะมาอยู่ที่เนื่องจารย์มีฮิ i s ยอีซีเนี่ยอยากจะให้ฟังฮิซโยอีซีนะครับตัวที่จะเป็นเพลงสุดท้ายของชุดนี้ครับนะครับเพลงที่13บามอ่ะครับของอาจารย์เพลงที่สินะครับเราจะลองฟังดูนะครับเพลงที่12บสองและสิ นะครับ hisyoc นะนะครับ แ n d his burden is light แต่เราฟังไม่คยออกนะครับมันมีอช่ Islam เขาเอาแค่นี้มัธยมบทที่11ก็30และ invitation invite โอ้โหตลอดเลยตลอดเลยตอดแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยนี่จะมอนองซ้ำแต่อยู่นั่นอ๋อ้เขาจะเชิญเราไลเห็นไมเขาเชิญเราเลเข้าไปเถอะไปไหมมาเป็นกุหบใช่ไหมมาเถอะมาเถอะอาจารย์ก็เรียกแล้วเรียกอีกเถอะอีกที่มีใครมาไนะครับโอเคครับเราไปที่องค์2ครับ ใช้เวลาอประมาณ40สิบนาทีนพี่น้องเลือก3ามคร่งครึ่งเนี่ยได้เลยนะครับองสองนครับนะครับสามารถสามารถแบ่งเป็น4ฉากได้นะครับฉากแรกนี่นะครับอยู่ในเพลงที่2 2่สองถึงนะครับพอองหนึ่งเนี่ยพี่น้องเขาจะแบ่งด้วยคอรัสนะ่ครับองสองไม่ได้แบงแบงคอรัสอะองสองเนี่ยแบ่งด้วยเหตุการณ์ของพระเยซู นะครับพี่น้องจำได้ไหมครับผมเคยพูดไปแล้วว่าแฮนเดิลเมสซายามีกี่องค์ครับสามองค์นะครับองค์แรกนะครับเพลงที่ 1-21 องถึงอที่2เพลงที่ 22-44 องถึงที่3เพลงที่ 45-53 ถึงเมสซา ย, ยาทั้งหมดมี53เพลงนะครับ 53เพลง น, นียแบ่งเป็น3าองค์องค์แรก1ถึง21องค์สอง22ถึง44องค์3 45ถึง53นะครับและเขาจะมีตีมนะครับีมขององค์นะครับองค์แรกนะครับพูดถึงพระกัมพีเดิมคำพยากรณ์แล้วก็สาเร็จนะฮะเมื่อกี้นี้เราเห็นพระเศคาริ ย, ยามาคีนะครับนะ แล้วก็ยังมีอิสยาห์มีต่างๆนะครับแล้วก็สําเร็จในพระคัมภีร์ใหม่มัดมัดมคิวมารโกลู ก, กาพวกนี้นะครับสำเร็จนะครับอันนี้เป็นองค์แรกองค์ที่สองพวนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการสิ้นพระชนของพระเยซูแล้ทีนี้นี่เข้ามาถึงหัวใจนะครับและในองค์ที่2เนี่ยมีเพลงที่สุดยอดที่สุดก็คือเพลงฮาเรนูยาคอรัสนะครับอยู่ในองค์ที่2นี้และองค์ที่2นี้ครับก็จะเป็น The Passion of Christ นะครับ The Victory Over l i m i t e s s world นะครับก็คือการเป็นขึ้นในความตายนะครับการเป็นขึ้นในความตายของประเยสูรนี่ r e s u r e c t i o n เพราะฉะนั้นเราจะเห็นทั้งทีที่ถูกโค้ดมานะครับของชาวเซนเนียนครับในงอง์สองเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับเขาจะใช้อะไรครับอิสยาห์บทที่53ซึ่งเราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเมสสิยานิพพิพัฒจําได้ไหมครับ เรามีเมชานิคสแล้วนะครับนะครับแต่อิสยาบทที่หาสเนี่ยเป็นเมช c นิคโพบัสซีในเพลง23นะครับ24 25 26หนะครับเป็นเมช c นิคโพบัสซี่ก่และเพลงที่27จนะครับจะใช้สุ ด, ดีบทที่22ข้อ7ข้อ8นะครับก็จะเป็นเมช c นิคสามนะครับเมชานิคพบัสซีกับเมชานิคสามแตกว่าอะไรครับ แปลว่าแปลว่า พ, พีเดิมที่เป็นคำพยายกรณ์ถึงพระมาซิยาที่ไมสสยาและเมเซนิกรก็คือเป็นบทเพลงเสีที่พยายกรณ์ถึงพระเมสสิยาห์พออ่านตบเ น, นครับคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเรียนลวีมาเรียนเพะีม า, ร, ร, มารู้เลยครับว่าน เ, เนี่ยคือเมเซนิกเป็นเรื่องที่พระเยซูสอนเป็นเรื่องที่พระเยซูพูดและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพระองค์ นะครับเอกเมส ส, สิคสากับเมสเซนิกฟาร์เอซีนะครับอิสยาห์นะครับเพราะฉะนั้นในภาคอิสยาห์ครับเดี๋ยวเราเรียนไปนี่เราจะรู้อิสยาห์นี่นะเป็นเหมือนเ l d โอเทสเมนกอ o s สโ l ก็คือเป็นพระกิตติคุณนะครับในภาคัมพีเดิมเพราะอิสย า, ห, า, สยาห์นี่พูดถึงใครครับพระเมสสิยาห์เห็นครับอิสยาห์พูดถึงการช่วยให้รอดจากองคพ์พระผู้เป็นเจ้ากอดเซฟเย เห็น ไ, ไหมครับอิสยาห์พูดถึงอะไรครับอนาคตที่พระเจ้าจะเสด็จมาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็น The Gospel of the Old Testament อิสยาห์นะครับเพนวันนี้นะครับเราจะมาดูตั้งแต่เพลงที่22ครับผมวางแผนไว้เนี่ยจนกระทั่งถึงเพลงที่36นะครับนะครับเพลงที่22จนถึงเพลงที่36เพลงแรกนะครับเป็นคอรัสเปิดมาก็คอรัสเลยครับ ในพระธรรมยอห์นที่หนึ่งข้อที่สิบเกพูดถึงว่ามีโฮเดลแองกอรนะครับดูเถิดอะไรครับพระเมสสโตรของพระเจา้าเราต้องขําคําว่าใจว่าพระโสดของพระเจ้ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องรู้จักำคำคานี้ไหมครับ ชอบอ่านหรือชอบดูข่าวต่างประเทศเนี่ยจะมีสงครามยมคิปเปิลนะครับวันนี้ผมไม่พูดเรื่องโยนคิปเปิลแต่พูดไม่ไม่พูดเรื่องสงครามนะครับก็ เ, เป็นโมเดิร์นวัวนะครับก็คือสงครามสมัยใหม่ตอนที่สุเอเล่เนีครับเขาทาสงครามเนี่ยนะครับตอนที่1 9ึ่งปแล้วนะทสงครามยมคิปเปิลนะครับแต่ว่ายมคิปเปิลนี่โยนไปว่าวันนะครับคิปเปิลไปว่าลบปาก ก็คือวันโลกป่ะนะครับพี่น้องอยากจะให้เปิดในพระธรรมเลวิติบทที่ท16ครับต้องเอาความดีแล้วนะครับเลวิติบทที่16พอถ้าเราเข้าใจเลวิติบทที่16ปุ๊บนลยครั บ, รบเราก็จะเชอาใจโยคิดโปรกแล้วก็เราจะเข้าใจ The Land of God เรื่องนี้เป็นศัพทศาสตร์ที่ใหญ่ามากในวิทยากที่สมข้อที่หนึ่งะครับผมอยากให้ฟังนะครับพระเจ้าตรัตโมเสดหลังจากที่บุตรทั้งสองของอารอนสิ้นชีวิตคือเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเจ้าได้ถึงแกวความตายและพระเจ้าตัตโมเสดฝ่าจงบอกอารอนพี่ชายว่าอย่าเข้าไปในอัคคีสุทธิสถานตลอดทุกเวลาคือเข้าไปหน้าคาที่นั่งพระกรุณาซึ่งอยู่หลังอีกเกรงว่าเขาจะต้องตาย เพราว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งครูนาแต่อารมณ์จะเข้ามาในที่บริสุทธิ์ได้อย่างนี้คือให้เอาอวุโณมุ่งตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาให้เขาสวมเสื้อครางบริสุทธิ์และสวมกางเกงผ้าป่านคาดเจริญบาผ้าป่านและสวมผ้ามาราป่านแต่นี้เป็นเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์เขาจะต้องอาบน้ําแล้วจึงสวม และให้เขานําแท้คู่สองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกับแกะคู่ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาจากชุมนุมชนพศเดียวข้อ6ครับและอาร้อนจะถวายวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของตนและจะทําการลบมลตินบาปตนเองและครอบครัวของตนแล้วเขาจะนําแทะสองตัวนั้นไปถวายพระเจ้าที่ประตูเต็นท์นกพบและอาร้อนจะจับฉลากแทะสองตัวนั้นฉลากห ตกเป็นของเจ้าและอีกฉลากหนึ่งเพื่ออาซาเซลแพะตัวที่ฉลากตกเป็นของเจ้านั้นอารมณ์จะถวายเป็นเครื่อนบูชาไถยบาปแต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งฉลากตกเป็นเพื่อตกเพื่ออาซาเซลนั้นจะนําถวายต่อพระพักพระเจ้าเป็นศัตว์เป็นเพื่อทําการลบมนทินบาปให้ตกที่มันแล้วจะได้ปล่อยมันเข้าไปให้กลิ่นพระบัณฑให้แก่อาซาเซลที่ต้องเหลือไปดูในข้อที่29ครับ ให้เป็นกฎเกณฑ์ท้าววแก่เจ้าทั้งหลายว่าในวันที่สิเดือนที่เจวันนี้นะครับคือวันยนทริโบโปกนะครับก็คือเป็นวันลบบาสเจ้าจะต้องบังคับใจตนเองไม่จะทําการงานสิ่งใดทั้งตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าข้อ30สิเพราะว่าในวันนี้จะกระทําการลบบนทินบาสของเจ้าและฉัมรับเจ้าเจ้าจะสะอาดต่อพระพักตเจ้าพ้นจากบาส ท, ทั้งสิ้นของเจ้า ยมกิบนะครับเป็นวันที่สําคัญที่สุดนะครับเดโมสโคนีสก็คือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับของชาวยิวก็คือวันลบบากระดัเองวันลบบาสนี่มีอะไรเกิดขึ้นครับวันลบบาสนะครับไม่ใช่ลบนะลบเลยฮะก็คือหมดนะครับนะก็คือวันรับการยกโทษนั่นเองนะมีอะไรเกิดขึ้นครับในข้อที่8ครับ มีมีหลักการของแพทรับบาเกิดขึ้นพี่น้องคุ้นเคยไหมคำว่าแพทย์รับบานะภาษาอังกฤษใช้ว่า s c a p e ก o ก็คือแพทยรับบปนะ่ความจริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังเรื่องของแพทรับบาปเนี่ยมีทั้งหลายและอายะธรรมหลายและาศาสนานะาศาสนาพุทธก็มีาศาสนาฮินดูก็มีนะแต่าศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะช้าที่สุดแต่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ s c p e ก o a เนี่ยนะครับหรือ s a e ก t เนี่ยแพทับบปเนี่ย มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยโมเสสนะวครับโมเสสอยู่ห่างจากเากี่ปีพี่น้องติต่ตอติต่อติด ต, ต่โมเสสครับโมเสสกับดาวิดใครเกิดก่อนกันโมเสสนะครับดาวิดอยู่ห่างจากเกี่ปีครับติต่ตอติต่ตอ เป็นสมาชิกที่จักพัฒนาหรือเปล่าไม่ทำเฉพาะใครสร้างกรุงเยซเรมครับใครสร้างกรุงเยซเรมจะแสดงให้ครับกรุงเยซเรมนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งฉลองครบรอบ3000ปี ดาวิดเนี้ยหางจะเราสามพปีครับอับราฮัมห่างจากเร า, 3, ร ก, เ ก, รากี่ปีครับประมาณ 4,000 ปีโมเสสห่างจากเราประมาณ 3,500 ปีโมเสสเกิดก่อนพระพุทธเจ้ากี่ปีประมาณ 1,000 ปีพอเราเรียงนันนะัถูกต้องปุ๊บเนี่ยฮนะเราคิรู้เลยว่าไทยมาก่อนมาหลังเพราะฉะนั้นเรื่องสเก็โกดเนี่ยเรื่องแพะลับบาเนี่ยเกิดก่อนนะครับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าถึง1นึันปี ประนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแพะรักบ่าวนะครับมาจากข้อพิธีเดียวนีแพะอยู่2ตัวแพะตัวหนึ่งอย่งไรครับตกเป็นของพระเจ้าก็คือต้องฆ่าถวายบูชานะครับแพะอีกตัวหนึ่งรอดรับรอดนะฮนะรอดไปไหนครับจับฉลากแพะอีตัวหนึ่งฉลากตกเพื่ออาซาเซล และเขาที่ต้องกวางมือนะวางมือคนหัวของแพทยนี่ไล่แพทยนี่นะครับถ่ายทอดเหมกับราวางเนี่ยความบังจะถ่ายทอดออกไปนะที่แพทตัวนี้แล้วก็ปล่อยแพทย์เดวนี้เข้าป่าหายไปมีใครมีมีคนพยายามอธิบายเรื่องนี้นะครับมากมายหลายแบบนะครับแพะย์หนึ่งลอดแพทยหนึ่งตายนะ ค, ครับนะแพทย์หนึ่งลอดแพทยหนึ่งตายทำให้เราคิดถูกใจครับมีคนรอดมีคนตายใช่ไหมครับใครลอดครับ รอดไป่ตาครับเฟียสูใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่แพะตัวที่ตายไว้น่าจะเป็นตัเมสโกดุกไอแพะที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วถูกส่งไปในป่าเนี่ยมันแพ้ที่นําความบาปเต็มไปด้วยบาปแต่แพะตัวแรกเนี่ยครับเป็นแพะครับป่า แพ่กตัวหนึงเนี่ยเต็มไปด้วยปามันมีการโอนย้ายถ่ายเทความป่าคิดถึงไหนครับสเก็ตโกดนะครับอซ า, าเอว ภาษาฮีบรูเนะี a, ่ยอาซาแปลว่าสตริงแปลว่าความเข้มแข็งเอลแปลว่าเอลพระเจา้าถ้าดูตามรากศักด์เนี่ยก็คือบอกว่าพระเจ้าเข้มแข็ ง, ขงมีคนแปลอย่างนี้นะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำฮีบรูเนะี่ยอาซาเซลเนี่ยแปลว่าเอนทาย Entire แปลว่าทั้งหมด Removal แปลว่าอะไรครับกําจัดยกออกไปหมดเลยนะครับยกออกไปหมดนี่นะครับก็จะเป็นการตีความหมายแบบหนึ่งแต่พี่น้องลองฟังการตีความหมายแบบที่3เมืม่อกี้ผมพูดอาซาเซลนี่ครับแปลว่าพระเจ้านะครับผู้เข้มแข็งเป็นการตีความหมายแบบแรกการตีความหมายแบบที่2ก็คือ Entire g e o v a l ก็คือลบออกไปหมด การตีความหมายประเภทที่สาก็คือว่าอาซาเซลเนี่ยพวกรับใยของคนอยู่นะครับเขาเชื่อว่าเป็นชื่อของสาตว์เพราไอ้แพะตัวเนี้นะครับนั่ความบาาและถูกส่งเขา้าไปในป่าและมันไม่เคยกลับมาอีกเลยทําให้เขาคิดถึงภาพเลยนะทำให้เขาคิดถึงภาพว่าในท่สุดเนี่ยนะครับหลังจากการที่ภาคสารนะครับ ซาตานกับสมุนของมันเนี่ยต้องไปไหนฮนะไปอยู่ที่นรกหรืหลุมเียก Abyss A B Y S S นะครับก็คือส่งเขอยู่ในหลุมที่ไม่มีหลุมที่ไม่มีกม้นนะฮะนั่นก็คือนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับทําให้เห็นการตรีความหมายสาแบบอาซาเซลนนะตีความหมายดีก็ได้ตีความหมายไม่ดีก็ได้ตีความหมายกลางก็ไ ด, ไ ด, ได้แต่ว่า ถ้าเราดูในบริบทเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของสเก็ตโค้ดแน่นอยก็คือแพนรับบาปแพดสองตัวเนี่ยนะครับรับบาปทั้งคู่ใช่ัหยครับแพ้ตัวแรกเนี่ยตายเพราะอะไรครับเราจะเห็นการ substitution ก็คือการตายแทนหลักการอยูอย่งนี้นะครับการตายแทนาตายแทนใครตา ย, แ ท, แ, ยแทนเราครับพระเยซูสิ้นพระชนม่เขนแทนเรา แล้ว เ, เน substitution ก็คือหลักการของพระเจ้าอยู่ที่นี่นะครับหลักการของพระเจ้าอยู่นี่ก็คืออะไรครับก็คือว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนผลวและคนผลวก็คือตายแล้วนะครับมีผู้หนึ่งที่ตายเพื่อคนนองและคนผลวก็คือตายแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าตายอย่างตายแล้วครับทุกวันนี้เนี่ยที่เห็นเดินๆอยู่เนี่ยนะครับคืออะไรคืออะไรครับ โดยสถานะข้าของเราเนี่ยนะครับคือตายแล้วเพราะอะไรครับเราตายร่วมกับพระเยซูไงครับแล้วเราก็ไป ข, ขึ้นมาพระเยซูอะไรของเราตายแล้วตัวเก่าของเราตายแล้วไงครับแต่มันตายยังไม่สนิทพี่น้อเข้าใจไหมฮะตายไม่สนิทนะครับตายไม่สนิทคืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายทางการแพท น, นครับ คิดว่าไหมครับว่าหัวใจหยุดเต่นตายอย่างตายอย่างไงอย่างใช่ไหมครับอย่างปั๊มขึ้นมาได้น ะ, ะสมองหยุดทํา ง, งานตายอย่างตายย่งครับตายแล้วใช่ไหมหมอหมอวัดขึ้นสมองปุ๊บขึ้นสมองเรียบนะครับขึ้นหัวใจเรียบตายแล้วแต่ไม่ตายครับผมยังงอได้นะครับ ผมย ง, งอกได้นะครับไ ต, ตเนี่ยไ ต, ยตยของเราเนี่ยยังทํางานได้ต่ออีกหลายชั่วโมงเลยนะครับเซลมไม่ตายอ่ะแต่สมองมันตายคือมันมันหยุดทํางานมันหยุดทํางานแต่มันไม่ค่อยคตายมันไม่ตายสนิทตายสนิทก็คือสวันไปแล้วตายสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูแลคนตายนะคนใกล้ตายเนี่ย พอหัวใจหยุดเต้นปับน๊บเลยนะครับพี่น้องทะเลาะ ก, กันใหญ่เลยทําไมทะเรากันใหญ่ครับยังสมบัติปรากฏว่าข้อตื่นครับข้อตื่นขึ้นมาพุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหมอก็ช่วยปั้งขึ้นมาปุบเนี่ยตอนที่แกหัวใจวายนะครับแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปแล้วในหูแกเองได้ยินครับหูยังได้ยินนะครับก่อนจะก่อนจะตายสวิตก่อนที่สมองตายนะครับ คือสมองขาดออกซิเจนเนี่ยมันตายเนี่ยหลังจากนั้สีนาทีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สมองตายเนี่ยไม่ฟื้นนะครับไม่ฟื้นจะจะให้ข่าไปไป่กี่ปีกี่ปีก็อยู่ได้นะถ้าเขาไม่ติดเชื้อนี่ยเาก็อยู่ของเขาได้นะแต่ไม่ฟื้นเพราะสมองตายแต่ก่อนสมองตายเนี่ยเขาได้ยินครับแล้วสมองกลับมาขึ้นมาใหม่นะหัวใจกลับขึ้นมาใหม่นะเป็นไงครับรู้เลยว่าทะเลาะ ก, กัน เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็คนที่กลับมาจากความตายก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วนะแล้วอยู่ดีเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาเฉยๆเนี้ยหัวใจกลับมาเต้นใหม่อย่างมีแต่สมองตายไปแล้วเนี่ยสมองกลับมาทํางานหม่นี่ยากมากไม่มีทางเกือบจะเป็นศูนเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลผู้ป่วยไข้ตายเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนสีนาทีนะหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นนะพี่น้องอย่าพูดเลยพูดเลยแต่อย่าทะเลาะกัน พูดว่าคุณพ่อขาคุณพ่อขาผมรักคุณพ่อนะครับขอพระเจ้าได้ครับคุณพ่อไปอยู่กับพระองค์พูดอะไรก็ได้ครับท่านจะได้ยิน น, นะฮะแล้วก็การนำคนรับเชื่อเนี่ยตอนอยู่ในซูเนี่ยครับเป็นงานการเป็นงานที่คุ้มค่าที่สุดคนํารับเชื่อไม่ต้องเล็บดูเลย พี่น้องนั่งรับเชื่อแบบที่ไม่ต้องเรียนดูนะครับสบายมากเลยครับนั่งรับเชื่อเลยนั่งรับเชื่อเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านก็จะจับไปอยู่กับเจ้าแล้วในโบสถ์เรามีหลายคนนะครับนะครับเขาเรียกว่าปิดการขายสุดท้ายเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมานะครับก็จะเอาพระมาเอานุ่งเอานี่มานะสวดนุ่นสวดนี่นะครับแต่ว่าผมก็บอกกับพี่น้องท่านนั้นบอกว่าคุณต้องปิดสุดท้ายนะ เพราะว่าพ่อคุณไม่รู้เรื่องใครออกมาขัา้นละหมดเลยแต่ว่าถ้าปิดจุดท้ายได้ปุ๊บนะพอปิดปุ๊บเนี่ยนะครับท่านจะสิ้นพันธ์ิสงสารเชื้อโมงและห้ามฝ่ายคนคนอื่นเอาพระมรรคพันี์ไปให้นะครับผมว่าไปสวรรค์เนะพราะอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายเยชื่อรับด้วยปากและเชื่อโดยใจขึ้นไปวับสองได้ ผงว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะปรับใช้วาสุดท้ายเนี่ยขอให้เราเป็นคนปิดและปิดตรงนั้นนะครับผมบอกว่าเป็นปิ ด, ปดการปิดที่สมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะเห ม, มือนกับโจรบนไม้ตังเข่งไงนะครับวันนี้พระเยซูบอกว่าอะไรวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบา ร, ร์เลมเกเซเพราะเขากลับใจ พ่อรับพระเยซูหมพ่อเป็นคนบาปนะพ่อพูดไม่ได้ให้กระดิกนิ้วพ่อพูดไม่ได้กับพิพตาได้นะครับพิพตาได้พ่อกับ พ, พิพตาสคงทีท่านกับพิกตาสองทีมีคนกับพิพตาบ ม, มพ่อพ่อสารภาพบาปนะข อ, อการอภัยโทษจากพระเจ้าแม่พ่อนะ พอ่อยังอยู่พระเจ้านะพ่อเอาไว้บินดาสองทีหลังจากนั้นบอกพ่อเปิดใจต้องรับพระเยซูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อธิษฐานเผื่อให้นะพ่ออธิษฐานในใจนะพออธิษฐานจบปุ๊บพ่ออธิษฐานหรือเปล่าแกก็ทิ้า ต, ทาาตาสองดีนะที่น้องเรไปสงฆ์ไหมพูดไม่ได้อ่ะแต่ตอบสนองได้อ่ะเรารู้ว่า รือแม่จะพูดไปได้กับ2ไม่ได้แต่ถ้าเกิดแกได้ยินนะแล้วใจแกไปรุ่งเรืองกับเรานะไปสว่าคครับพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงเรื่องที่สําคัญคือวันโยมทิพปูนี่นะครับผมยังไม่ใช้เวลามากมากกว่านี้ไนงะก็คือว่าแพะ2ตัวเนี่ยเป็นแพะรับบาต ท, ทั้งคู่เลยนะแ้วก็ตายเป็นการตายแทนแต่นะครับแต่แพะตัวที่ปล่อยไปเนี่ยนะครับก็คือ ความบาปนั้นอ่ะจะไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเกิด entirely removal จริงๆนะครับมีการตายแทนแล้วก็มีเลยครับไปแบบไม่กลับแล้วนะฮะไม่ว่าจะไปเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะีจะเป็นเซลจะเป็นอะไรต่างๆจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจนะครับเพราะมีการติีความหมายอย่างแต่ผมที่บอกกับพี่น้องว่านี่คือความหมายของแพทยบาปพระเยซูเป็นนะครับพระเมสสโภดของพระเจ้าครับ แล้วเป็นเป็นสโบลดองเนี่ยรับแบกความผิดบากของเราไปนะครับเนื่องจากพระเยซูเป็นพระเจ้านะนะพระองค์จึงสา ม, มารถตายแทนคนทั้งหลายที่เชื่อองค์คำถามต่อไปก็คือว่าพระเยซูตายแทนพวกเราใช่ไหมพระเยซูตายแทนคนที่ไม่มมเป็นนิสียด้วยปะ เรื่องนี้เป็ น, านศาสนาสารนะทำไมครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเราไม่มีความถีเราก็ากมีความสือว่าพระเจ้าทรงรักโลกไงเพราะฉะนั้นนะพระเยซูตายแทนทุกคนใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับพระเยซูตายแทน t h e อเล็กแทกก็คือพระเยซูตายแทนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ของเล็ก เพราะทำาไมเช่นนั้นนะครับการตายของพระเยซูเนี่ยก็เสียของเสียของเข้าใจไหยครับก็คือคนที่เขาไม่เชื่อตายแทนเขาเสียของแต่ถ้าคุณนะครับเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกพระเจ้าเลือกไว้เท่านั้นพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนก็จริง แต่ผู้ที่จะได้รับชีวิตนั้นคือผู้ที่เชื่อและหวางใจในพระบุตรนั้นจากไม่ผิดหน้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเป็นคนพิเศษไหมในใสายพันธุ์ของพระเจ้าใช่ครับเราเป็นคนที่ถูกเลือกไว้เลือกไว้เพื่อที่จะได้รับความเลือกไว้เพื่อที่ได้รับคุณของพระเจา้านะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่ยี่สิบสองครับยี่สามยี่สี่ยี่ห้าี่ห นะครับคืออิสยาบทที่53นะครับในข้อที่ในเพลงที่23นะผมอยากพี่น้องฟังท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดเพลงนี้นะครับคือเนี้ยท่านไม่ฟัง่ดีๆแต่ผมอยากจะให้พี่น้องกลับไปฟัง He was despised rejected d e s p i e r e j e c t e d of men a man of souls ก็คือคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไทยพี่น้องมีฟังนะคืนนี้นะครับเชื่อผมนะไม่ร้องไห้แสดงว่าไม่ทราบสิ <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะก็ร้องเนี่ย reject despite r e j e c t e o n ขั้นฐานนี้เลยนะคือทำให้เรามีความรู้สึกว่าพระเยซูนี่เป็นคนที่ถูกทอดทิ้งจริงเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นและทอดทิ้งจากใครครับจากคนที่บโวยตีพูกองค์จากคนที่ขงมเหงลอและบางครั้งก็จากพวกเราด้วยไงไม่ครับในเพลงที่ยี่สิบช่ y นะครับพอรักสงบแน่ทีเดียวถ้าได้แบกความเจ็บไข้ของน้องหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปอันนี้ตรงกับในพระกัมมีหนึ่งไปโตบที่สองวัยี่สิบนะครับรอยแผลเคียนของพระองค์ทำให้เรา้งหลายได้รับ ก, การรักษาให้หายห็นไครับหายจากอะไรครับหายจากโรคแห่งความผิดบาสนะครับค่าจ้างของความบา ค, คือความตายแต่ของประธาน จากพระเจ้าคือชีวิตนิรันตในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสลับกันเลยของมระธานจากพระเจ้าคือความตายแต่ของประธานให้ระโทษขาา้าเจ้าของวัวบาคือความตายและของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันตในองค์พระผู้เป็นจเจ้าสลับกันใช่ไหมครับในข้าเจ้าของวัว่าคือความตา ย, ย ข, าาของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนีรนตะนี่คือ พ, อพระองค์พ์พูดอย่างนี้นะครับเพลงยี่สิบสี่จะเป็นคอรัส25ก็เป็นคอรัสเป็น เมื่อเลี้ยงสั้นๆ น, นะครับ And with His stripes we are healed ก็คือที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ทำให้เราทั้งหลายหายดีอเมนไหมพี่น้องครับพระเยซูรฟกช้ำแทนที่เราแต่ทำให้เราทั้งหลายหายดี I, e. ร่วงตายเพื่อให้เรามังเกิดใหม่เรามีชีวิตนี่คือคอนทราสต์กันครับแล้วพี่น้องจะฟังคอนทราสต์ได้ในบทเพลงเห็นชัดได้ยินมากเลย คอนทราสเกันมากเบาอย่างเร็วช้านะครับนะโอเคครับต่อไปนะครับเพลงที่26อาจารย์มีเพลงที่6ไหมอวีไ s h i p เป็นเพลงสุดท้ายของข้ามคืนวันนี้ชาวเจนเนนนี่นะครับคลิกจากความรู้สึกนะครับที่พระเยซูเนี่ยทรงรับความทุกข์ทรมานนะครับแทนเรานี่ ท่านพิกเข้าไปในคอรัสเพลงที่ี่สิบได้บอกว่าเราทุกคนก็เจรไปเหมือนแกะก็หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นแกะครับนะครับและเมื่อเราทุกคนเรียเป็นแกะเนี่ยนะครับอะไรเกิดขึ้นครับในเพลงที่27 น, นะครับได้พูดถึงพระเยซูก็เป็น suffering servant เหมือนกันพระเยซูเนี่ยเป็นแกะที่ถูกนาไปฆ่านะครับและเราก็เหมือนกันครับเป็น แกะที่หลงทางไปเห็นความคิดเชื่อมโยงตรงนี้ไหมพระเยซูเป็นแกะทึ่หนักเป็ข้าเราเองก็เป็นแกะที่หลงทางไปเพราะฉะนั้นในพระธรรมเพลงขั้งควรนะครับของเพลงที่สาสิบนะครับเพลงขั้งควรลงไปที่สาสิบเนี่ยพูดอย่างนี้ครับเพลงขัางควรพูดอย่างนี้บอกว่านี่เนี่มีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่เขาเช่านั่นหมายความว่า สปริ้งเซิร์ฟอนของเรานะครับก็คือองค์พระพุทเจ้านะพระองค์เป็นผู้ที่รับความทุกข์ามากที่สุดแล้วถึงขนาดเป็นข้ามคนกว่าไม่มีความทุกข์ไหนที่มากกว่าความทุกข์ที่พระเจ้าแบกรับอยู่เห็นไหมครับเปู้แบกรับความทุกข์เพื่อเรานะเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นความทุกข์ที่อะไรครับมากที่สุดที่มนุษย์พึงจะได้คนระับ เพลที่3าเลยครับ He was cut off o f the land of the living. พรสุตุตัดออกตัดออกจากอะไรครับตัดออกจากแดนคนเป็นต้องถูกตีเพราะการโกรธของชนชาติของเราคำว่า cut off นะครับใครที่เรียนปทะารรมดานนยนลเนี่ยจะรู้ครับมีครับ คำพยากรณ์ของยาเนลนะฮะในบทที่9ข้อ2 5 2 6ิ7พูดถึงว่าผู้ที่ถูกเจิมนะครับผู้ถูกเจิมคือใครพราชาธิ์นะครับผู้ถูกเจิมเนี่ยเมื่อมาถึงพวกเนี่ยจะต้องถูกทัดออฟหมนกันนะครับัดออหนกันสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าคำพยากรณ์ที่พูดถึงพระเยซูนะครับถูกทัดออฟเนี่ยก็คือพระเยซูสิ่งกระน พูดสั้นๆตรงนี้นะครับเพราะเราก็ไปเข้าไปในพระดำดาเนีบทที่เกแต่การคักฟ์ออเนี่ยนัคือการถูกตัดนะครับถูกตัดออกจากแดนคนเป็นก็คือตายครับและการสิ้นพระชนของพระเยซูเนี่ยคือการตายจริงๆการตายจริงๆไหมครับว่าครับสมองตายนะครับและเซลล์ก็ตายด้วยเพราะสามวันไปแล้วพระเยซูไม่ได้สลบนะครับหลายๆทฤษฎีเนี่ยบางทฤษฎีบอกว่าพระเยซูสลบไปนะครับก็คือหมดสติไปเฉยและพอ ไปวางที่เย็นๆนะครับนะก็ก็ฟื้นขึ้นมาไดวางอุโมงค์เย็นเนี้ยนะก็ฟื้นเหมือด้หรือเป็นเรื่องของตายแล้วไม่ใช่เป็นว่าฟื้นขึ้นมาฟื้นจากการสด็จนี่เป็นชทฤษฎีที่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาบอกว่าพระเยซูไม่ได้ตายจริงหแต่ครับมันพรุ่งนี้นะครับรอมาดูว่าพระเยซูตายจริงเพราะว่าวิธีการตายชีวิตแบบไม่เพศเนี้ยพระเยซูตายจริงนะครับเพลงที่32 ครับเฟนเทนเนอร์ปรากฏอยู่ในพระธรรมเจดีย์บทที่16ข้อที่10ตรงนี้ชาวเชนเน่นบอกว่าอะไรครับชาวเชนเล่นใช้เจดียบทที่16ข้อ10เพื่อที่จะบอกว่านะรครับมีความหวังสำหรับการสิ้ระชนของพระเยซูเพราะพระองค์มิได้ทรงมอบขาพระองค์ไว้กับแดนผู้ตายหรือทำให้ระชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น แปลว่าอะไรครับการเป็นขึ้นในความตายเนี่ยมีจริงครับและในบริกันนะครับในข้อที่ในเพลงที่33ในการเป็นคอรับสบอกว่าอะไรบอรกรว่า Lift up your head all ว e get เพลงที่เพราะมากนะครับลิฟต u อัพโย a ฮ a ์อว e เกตแปลว่าเชิดหน้าขึ้นมองดูนะครับจงยกหัวของเจ้าขึ้นบาระตูนีรันเอ๋ยจงยกขึ้นนะครับผู้ทรงพษษระสรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าจอมโยธา พระองค์ชรงเป็นษกษัตริย์ผู้ทรงพระ ส, สิริพี่น้องเคยร้องเพลงนี้ภาษาไทยไหมครับผ oh, ู้ทรงิรินั้นคือผู้ใดโห้ยหอนแห่มากพี่น้องเคยฟังนะครับ Lift up your head all ye k i d s แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ผู oh, song, ้ทรงิรินั้นคือผู้ใดหวานเกินนะครับนะไม่ได้อารมณ์เลย Lift up นะครับ your head all ye k i d s พี่น้องไปฟังนะฮะวันนี้ไม่มีปัญหาเพราะสามวันชั่วโมงองนีไม่มีเวลาฟังหมดแต่ไปฟังยงไม่ใช่ผู้ทรงสิรนั้นคืออนะครนะไม่ใช่นะคนละเรื่องคนละเรื่องไปลองฟังดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคอรัสเพลงที่สามสิบสามนะครับอีกสามเพลงจบแล้วครับเพลงที่สามสิบสี่ที่บูบดที่หนึ่งข้อที่ห้าตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของ resolution proof นะครับ การเป็นขึ้นเด็กความตายของพระเยซูนะครับพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระงมีความสำคัญหรือสังคับกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพราะว่าพระเจ้าเรียกพระเยซูว่านะครับพระเจ้าเรียกพระเยซูว่าอะครับในบทที่หนึ่งขาบุตรของเรา you are my son ั h o เจ r t อา son ัก็คือท่านเป็นบุตร ที่รักของเรานะครับเพลงที่3 5ครับเพลงที่3 5เพลงนี้ในภั้นผีบทที่1ข้อ 6, พูดถึงอะไรครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจา้าหรือยาเวนั่นเองนะครับผู้ซึ่งรับการนมัสการครับผีบทที่1ข้อ 6, บอกว่าให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า กราบไหว้ท่านกร า, รรกราบไหว้ใครครับกราบไหว้พระเยซูแสดงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าครับถึงจะรับการรับสการได้ถูกไหมครับนะที่ที่36ครับเป็นเบสโซโลนะครับอยู่ในสุรีบทที่68ข้อ18ครับพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงนะครับนำเฉลยไปด้วยแะรับของ ข, องขวัญท่านกลางมนุษย์ฆ่าถ้าพระเจ้าแม้จากผู้ที่จัดขวังที่พรองค์ประทักที่นาน แสดงว่าพระเยซูทรงเลยครับชนะครับมีชัยชนะถึงจะมีเฉลยไปใช่ไหมครับนะครับและรับของขวัญ น, นะครับท่ามกลางมนุษย์นะครับและนะครับเดลโรสกอนบา e จเวลอามังเซนก็คือพระเจ้านะครับจอมเจ้านายเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางใครท่ามกลางศัตรูของพระองค์ นั่นหมายความว่าศัตรูของพระองค์เองที่เคยเป็นศัตรูของพระองค์นี่เปลีนี่กลายเป็นเฉลยแล้วแสดงว่าพระเยซูมีชัยชนะนะครับเหนือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติคือมารซาตาและความตายเห็นไหมครับ เ, เพิ่มขีต่อเนี่ยชัดเจนมากและปิดท้ายนะครับด้วยเพลงที่สาสเจซึ่งเป็นคอรัสนะครับเพลงที่37เนี่ยเป็นเป็น เป็นนะรรเป็นฉากสุดท้ายนะครับของของช่วงนี้นะครับเริ่มต้นขอโทษนะเพลงนี่3สเนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายของช่วงนี้นะครับฉากต่อไปเนี่ยเริ่มที่ 3.7 c o r ครัสเพราะฉะนั้นครับผมสรุปนะครับในาพาร์ทในองค์ที่2เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของการสิ้นพชนและการเป็นขึ้นมาจากความ การ่เป็นชวนด้วยความทุกข์ทรมานกับเป็นสับปะรดเซอร์วอนในขณะที่รีเซร์ชั่นซึ่งเป็นการเป็นขึ้นในความตายนี่เป็นเรื่องของพาร์สิีนะครับเป็นวิถีรูภาพเป็นเป็นความหวังของพวกเราและเรื่องของการเป็นขึ้นในความตายเนี่ยจะพูดในวันพรุ่งนี้เรื่ององค์ที่สาองค์ที่สาเรื่องของรีเร์ชั่นของไทยของพวกเราที่เป็นอีกหนึ่งมาทำหนึ่งคนหรือว่าเล็กในอะไรนะ ความตายเอเ๋ยเด็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับนะก็คือว่า Why, where is the s t i n g string ก็คือเด็กในนะครับเพราะเพลงนี้ก็เพราะอย่างนี้เนกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ละนีดพราะเกิดพป็พเพลงเป็นเพลงทีุ่ดแล้วก็เพราะมานะครับไม่ทราบมีอะไรจะเพิ่มเติไมไหมครับมีอะไรจะถามไหมครับถ้ามันขึ้นพอดี ลองกลับไปฟังนะครับเอาการสติแก้งนะครับลองกลับไปฟังนะครับคือนี้นะครับลองกลับไปฟังใช้เวลาใช้ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับฟังไล่ฟังที่วันเนี้ยผมได้พูดมาครแล้วพี่น้องจะรู้สึกอินมากขึ้นนะแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยปินกระไดฟังเลยละปีนกระไดฟังเลยละครับทักให้เราร่วมใจกันในที่สุครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าในท่ำเกิดมันดีท่งหลายขอบุญพระองค์ที่ท่ำหลายได้เห็นถึงพระชนชีพหรือชีวิตของพระเมสสิยาห์พระองค์ทรงเป็นแพะรับบาปแต่พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิโคโดมของพระเจ้าผู้ทรงรับความตายเพื่อข้าพพึ่งท่ำหลายข้าแต่พระเจ้ารอแพะเคียนของพระองค์ทำให้ท้ำหลายต้องการรักษาให้งารแต่พระองค์ได้ทรงถูกมนุษย์ดูหมิ่นและเยอะเยอยและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รับความทุกข์ทรมานเพื่อข้าพพึ่หลาย ข้าแต่พระเจ้าในคำคืนนี้ของหลายขอกรบกาบและมัชฌิมพระองค์ที่ข้ามหลายได้มีโอกาสเป็นผู้ที่โปรง่งได้ทรงเลือกและถูกเลือกเพื่อแผ่นดินของพระเจา้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาใช้ชีวิตของข้ามหลายที่เหลืออยู่นี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจา้าในการที่ข้ามหลายจะเป็นผู้รับใช้พระองค์ที่ศักดิ์สิ้นและเป็นผู้ที่มีความดีและครองชีวิตของข้ามหลายด้วยโภชนะของพระเจ้า ขแต่ พ, พระเจ้าขอทรงโปรดวยพระพรในการเดินนําสงโปรดนำการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องทุกท่านให้ได้รับความปลอดภัยด้วยทงยองค์ไร้อวมใจกันิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนาประเยซูสต์เจ้าอาเมนครับขพาพเจ้าอวยพรครับ